กับนักวิชการครับอาจารย์ครับเดินตอครับผมอาจารย์แข็งแรงนะครับยังไาใจได้ครับครับผม ช, ช, ชนชนบุรีนี้โควิดเต็มเลยครับรอาจารย์ครับช่วงนี้น่ากลัวนะครับผมอือ่านสองร้อยกว่าใช่อาจารย์บินทบาร ท, ทุกวันเหมือนเดิมครับผมเมือเดินมื่อใส่หน้า ก, กากใสแ่แมสครับผมฉีดยาไปนหนึ่งเข็มแล้ว ครับน่าจะปลอดภัยครับอาจารย์ครับอาารย์นสาจะดีครับพระอาจารย์ครับงั้นผมขอกลับเรียนถามเลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มด้วยคําถามโหนก่อนนะครับนะพอดีวันที่ผมขึ้นหัวข้อว่าเหตุใดคนเราถึงแตกต่างกันเพราะว่าช่วงนี้ครับที่โควิดกําลังระบาดเนี่ยครับพระอาจารย์ผมก็เห็นบางคนก็เดือดร้อนหนักเลยบางคนก็เดือดร้อนไม่หนักบางคนเนี่ยหมดทั้งเงินทองทั้งสุขภาพแย่ไปหมด ในขณะที่บางคนไม่เป็นไรเลยครับอาจารย์บางคนกิจการก็จะเริ่รลุ้งเรืองอีกด้วยซ้ำเพราะว่าขายออนไลน์นะครับไิผมก็กลับเรียนถามพระอาจารย์<ม>ว่าเหตุอันไดจึงเป็นอย่างนั้นนะครับที่ไม่คนเราถึงแตกต่างกันได้ถึงขัานนั้นนะครับอาจารย์ครับเพราะโลกเรามันมีเหตุปัจจัยที่หลากหลายเนี่ยเพระฉนั้นมันจึงทําให้มีความแตกต่างกันอสถานที่อาชีพนี่มันก็ มีความแตกต่างกันผลกระทบต่ออาชีพมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราไปเลือกอาชีพที่มันมาถูกเหตุการณ์นี้ทำให้เดือดร้อนมันก็เดือดร้อน เห็นถ้าเราอยู่ในอาชีพท่องเที่ยวในอาชีพอะไรต่างๆที่มันมีผลกระทบมันก็ถูกผลกระทบนั่นเองแต่นี่ตามหลักพระพุทธศาสนานี้เราไม่ถือว่าเป็นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างกันเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเราแตกต่างกันคือการกระทำของเราพราะท่านเรียกว่ากรรม การเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์สัตว์ก็หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี้ให้มีความแตกต่างกันคือให้มีให้เป็นคนดีบ้างเป็นคนไม่ดีบ้างเป็นคนกลางกลางบ้างอันนี้ก็เกิดจากการกระทําของแต่ละบุคคลทางกายทางวาจาและทางใจว่าจะทําไปในทางไหน ถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะสะสมนิสัยที่ดีทำให้เป็นบุคคลดีเป็นคนดีถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีก็จะสะสมนิสัยที่ไม่ดีทำให้กลายเป็นคนไม่ดีไปแต่บางคนก็มีทั้งสองแบบทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างก็เลยมีคนที่มีความที่หลากหลายกันอันนี้เป็นเหตุผลที่เกิดจาก การกระทำของแต่ละบุคค ล, ลผลจากการกระทําก็ส่งให้บุคคลแต่ละบุคคลนั้นรับผลของการกระทำํำของตนไม่เท่าเทียมกันอันนี้ก็ทางหลักศาสนาแล้พูดทางหลักกรรมาการกระทําเป็นหลักแต่นอกจากหลักกรรมแล้วก็มีเหตุปัจจัยด้านอื่นที่มีผลกระทบต่อต่อชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งแต่มันก็เป็นผลกระทบที่ เรียกว่าเป็นผลวัฏทุบที่ไม่ใหญ่โตเท่ากับผลวัฏทุบที่เกิดจากการกระทา ท, ทางกายทางวาจาและทางใจครับผมอาจารย์ครับแล้วถ้าถ้าตอนนี้เรารับผลแล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงกรรมให้เราดีขึ้นนี่สามารถจะทําได้เลยใช่ไหมครับก็เรารต้องวิเ ค, คราะห์ว่าเราผลมันเป็นอะไรตามหลักศาสนาเนี่ยผลก็คือการมาเกิดนี่แหละเป็นตัวปัญหาเรา คนมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาเจอไม่ว่าจะคนดีคนชั่วมันก็ต้องเจอกับเพศปัจจัยที่เป็นของโลกนี้เช่นความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ากายมันก็ทําให้เกิดมีพายุมีแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นผลที่จะต้องรับกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาเกิด น, นอกจากนั้นก็ยังต้องมารับกับผลที่เกิดกับร่างกาย ที่มีหมอก็เพราะว่าร่างการมันมีโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมียาไม่ต้องมานั่งพูดคุยกันทุกวันครับผมงั้นปัญหาหลักตามหลักของศาสนาก็คือการมาเกิดนี่เรามาเกิดแล้วมันก็ต้องมาเจอปัญหาต่างๆทุกคนมากน้อยต่างกันไปตามตามบุญตามกรรมของแต่ละคนที่ทำมา แต่ก็ไม่ค้นยิ่ต้องเจอมากหรน้อยแก่เจ็บตายนี่ต้องเจอด้วยกันทุกคนแก่ช้าแก่เร็วเจ็บมากเจ็บน้อยตายช้าตายเร็วอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดพพุทธเจ้าเมื่อเลยตัดว่าทางที่ดีที่สุดแค่ปัญหาที่ให้มันจบสิ้นก็คืออย่ามาเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์ บุคคลที่ไม่เกิดเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์ถ้ากลับมาเกิดไม่ว่าจะเกิดมารวยมาจนมาใหญ่มาเล็กมาสวยไม่สวยเหลอ่อไม่หลอ่อก็ต้องเจอความทุกข์ด้วยกันทุกคนเจอปัญหาด้วยกันทุกคนเหตนั้นทางที่ดีที่สุดคืออย่ามาเกิดซึ่งพวกเราก็โชคดีที่ได้เจอคนที่ยรู้จักวิธีหยุดการเกิดก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของเราว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนเราก็ไปแก้ปัญหาปลายเหตุกันเกิดแล้วไม่สบายก็ไปหาหมอมีเชื้อโรค ก, ก็ไปคิดค้นหายามาแก้กันแก่โรคนี้แล้วเดี๋ยวก็มีโรคใหม่มาให้แก้อีกเรื่อยๆมันมีเชื้อโรคต่างๆที่ตายพันก่ายพันอยู่เรื่อยๆนั่นเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันทุกคนแเราก็ ไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งความแก่นะไม่สามารถไปยับยั้งความตายไนดะ้แต่พระพุทธเจ้านี้ทรงเป็นบุคคลที่แสนฉลาดที่ไม่มีใครเหมือนเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเองที่ใช้ปัญญาของการวิเคราะห์จนเห็นชัดว่าปัญหาทั้งหลายนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือการมาเกิดและสองคนพบสาเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือตัณหาความอยาก ควอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายก็จําเป็นจะต้องมามีร่างกายกันเมื่อมีร่างกายก็ต้องนี่แหละต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและความแปรปวนของธรรมชาติที่มากระทบกับความอยู่คันเป็นความตายของร่างกายหลวงพ่เจ้าทรงคนพบว่าถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็หยุดความอยาก คืออย่าไปอยากในรูปเสียงเกีย่นรถไปอยู่จําศีลเหมือนพระนี่ตัดความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบคือการฝึกสมาธิแล้วก็สอนใจว่าอย่าไปหาอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะว่ามันไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มความพอความอยากไม่มีวันหมดอยากการหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอร่างกายตายไปความอยากที่ยังอยู่ในใจก็จะพาให้ใจไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ท่านองค์ศาสดาสมควรบววมาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่ก็ต้อระงับความอยากทางตาหูจมูมลิ้นาย ด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ที่เป็นเครื่องมือมขอบคุณครับรอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามจากท่านอื่นแล้วนะครับคําถามจากคุณวีนาเลิศสกุลวัฒน์ครับอยากทราบว่าอยากถามพระอาจารย์นะครับว่าคนที่กิดฆ่าตัวตายบาปไหมคะและถ้าคนที่ฆ่าตัวตายแล้วบาปไหมครับฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นก็เป็นบาปเหมือนกันเพราะเป็นการทําลายชีวิต เป็นสารสร้างความทุกข์ไม่มีใครอยากตายกันเห็นถ้าฆ่าตัวตายนี้ก็ทุกข์มากเวลาจะฆ่าตัวตายคนที่มีความสุขก็ไม่ฆ่าตัวตายกันหคนที่มีความทุกข์นี่ฆ่าตัวตายจะทําให้จิตใจมุนเศร้าหมองทําให้จิตใจตกต่าำจะทําให้จิตใจนี้ถูกความทุกข์ที่เกิดจากความเกลียดชัง หรือเกิดความอาฆาตปยาบาทโกรรเกียรติร่างกายของตนเองพอดีว่าร่างกายนี้เป็นเหตุที่ทําให้ตนเองต้องทุกข์อันนี้เป็นบาป ท, ทั้งนั้นไม่ว่าจะฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้เพราะจะทําให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจทุกข์ทาให้จิตใจกลายเป็นอบายไป ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นสวรรค์ไม่ได้ทําให้จิตใจมีความสุขดังนั้นการฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่เป็นการกระทําที่ถูกต้องไม่ควรเพราะไม่ได้แก้ปัญหาคนที่ฆ่าตัวตายก็มีความทุกข์และคิดว่าถ้าตายแล้วความทุกข์จะหมดไปมันไม่หมดหรอกเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแร่างกายไม่ได้เป็นผู้สร้างความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากของใจนี้เอง อยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้พอไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ก็เกิดความทุกข์ใจก็ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะทาให้ความทุกข์ใจหายไปมันไม่หายหรอกเพราะความอยากที่เป็นต้นเหตุของการค้าตัวตายมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะพาให้ไปเกิดไปหาความสุขใหม่แล้วพอไม่ได้ความสุขก็จะทาให้มาฆ่าตัวตายใหม ทันยังบอกว่าถ้าใครค่าตัวตายแล้วจะต้องกลับมาค่าตัวตายอีกห้าร้อยชาเพราะมันจะเป็นติดเป็นนิยเป็นวิธีแก้ปัญหาเวลามีความทุกข์ใจแก้ปัญหาไม่ได้ก็ค่าตัวตายงั้นอย่าไปค่าตัวตายฆ่าต้องค่ากิเลสฆ่าความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราค่าความอยากได้ด้วยการปฏิบัติธรรม ใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายจะยากจนขนาดไหนจะ no er. well มีโรคภัยเบียดเบียนรายรนขนาดไหนใจสามารถรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ต้องค่าตัวตายปล่อยให้ร่างกายมันตายไปของมันเองโดยธรรมชาติมีคําถามจากคุณออกัสดีแลนนะครับเหตุใดการบวชบางรูปที่ตั้งใจจะบวชเพียง30วันแต่ปัจจุบันอยู่อย่างสงบ นี้เป็นความแตกต่างของธรรมะไหมหมายถึงว่าบวชสามสิบวันแล้วไม่ยอมสุดนะครับอาจารยไม่ยอ<ล>มสุดก็สดแสดงว่าได้สัมผถถัสกับธรรมลดแห่งธรรมคืออาจจะมีบุญเก่าอยู่มีเชื้อเก่าอยู่พอมีเวลาได้มาปฏิบัติก็สามารถทาใจให้สงบได้พอใจพบกับความสงบก็จะพบกับความสุขที่เหนือกับความสุขข้างปวง ก็จะไม่อยากจะไปสึกไปหาความสุขแบบเดิมอีกต่อไปเพราะความสุขแบบเดิมมันคลาดเข้าไปด้วยความทุกข์นั่นเองสุขแบบความสงบนี้เป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ต่างๆมีคําถามจากคุณยีดีครับนักพัฒการพระอาจารย์เรียนคุณหมอที่เคารพรบกวนสอบถามครับว่าจิตของผู้ตุชนเมื่อเขาเสียชีวิต อาจด้วยอุบัติเหตุหรือโรคทั่วไปจิตของคนที่ตายจะรู้ตัวว่าตายไหมครับส่วนจิตพระอริยะตั้งแต่โสดาบานันถ้าท่านละสังขารจะทราบว่าท่านเสียชีวิตแล้วหรือไม่ครับการตายกับการนอนหลับก็เหมือนกันวเวลาเรานอนหลับเรารู้ว่าเรานอนหลับหรือเปล่าเรารู้ว่าเรากำลังจะหลับแต่พอเวลาหลับนี้เราไม่รู้ว่าเราหลับะเวลาตายก็เช่นเดียวกันเวลาตายเราก็จะไม่รู้ว่าเราตาย ลับพระอริยาเจ้านี่จะรู้ไหมครับอาจารย์อย่างพระธิญเจ้าอันนี้จำไปถามท่านเลยนะครับอาจารย์กรับอาจารย์คราบคำถามจากคุณนิลบุญครับอยากทราบว่าโรคเรียโรคกรรมมีจริงไหมครับก็การทําทําบุญหรือทํำบาปอันนี้มันก็มีผลกระทุให้เรามีร่างกายที่มีโรคภายไข้เจ็บหรือไม่มีโรคภายไข้เจ็บมากหรือน้อยต่างกัน ถ้าเราทำบากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาเรามาเกิดนี้เรามักจะได้ร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆติดมาด้วยแต่ถ้าเราไม่ทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เราจะได้ร่างกายที่ไม่ไม่มีโรคภัยต่างๆก็มีโรคธรรมดาของร่างกายที่เกิดแต่จะไม่มีโรคแบบที่มากมายกายกอรบางคนบางคนเราสังเกตดูคนบางคนนี้จะมีโรคติดตัวมามาก บางคนก็จะมีโรคติดตัวมาน้อยอายุก็จะสั้นอายุก็จะยาวอันนี้ท่านท่านแสดงไว้ว่ามันเป็นผลที่เกิดจากบุญกรรมหรือบุญเงบาป ท, ที่ได้ทำมานั่นเอง <c oughs> คำถามจากคุณทิทิรัตน์นะครับการาดมัศการเจ้าค่ะโยมได้ยืนสมาธิตรงกระจกที่บ้านระหว่างที่เวทนา ที่ปลายเท้าเจ็บปวดมากโยมมองหน้าตัวเองผ่านกระจกเห็นหน้าเป็นศพและขาก็เป็นศพโยมเอารูปหน้าเป็นศพเป็นเครื่องอยู่ในระหว่างวันได้ไหมเจ้าคะถ้าทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายก็ใช่ได้นองทำาดูนะามคำถามจากคุณนวันนันท์ครับอาจารย์กร า, ากบเรียนถามค่ะคนเราพอตายแล้วต้องเกิดเลยใช่ไหมคะตอนที่จะมาเกิด การมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกระ บ, บาศที่เราทําไว้ด้วยไม่ใช่ว่าจะอัตโนมัติพอตายพบแล้วก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่เลยเพราะว่าตอนที่เราร่างกายตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะถูกอิทธิพลของบุญกระบาศเป็นผู้ที่จะทำให้ดวงวิญญาณนี้อยู่ในสภาพไหนถ้าดวงวิญญาณนี้บาสมา ก, กว่าบุญ ดวงวิญญาณ น, นั้นก็อยู่ในสภาพของของเทวดาของสวรรค์ถ้าดวงวิญญาณมีบาบมากกว่าบุญก็อยู่ในสภาพของอบายเช่นเป็นดวงวิญญาณของเปรตดวงวิญญาณของอสุรกายดวงวิญญาณของนรกจนกว่าอำนาจของบุญและบาปนี้มันเท่ากันไม่สามารถสร้างสวรรค์เรื อ, อบาย ให้กับใจได้ในตอนนั้นใจก็จะมารอารับร่างกายอันใหม่นี้จะได้ร่างกายอันใหม่เมื่อไหร่นี้ก็ต้องดูคิวเองเพราะว่ามนุษย์เหล่านี้มีจํานวนจํากัดนะผลดร่างกายจํากัดซึ่งเปรียบเหมือนกับการที่นักศึกษาคนที่ต้องการจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องไปสอบเอนทรานซกันอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกัน ดวงวิญญาณที่พ้นจากบุญจากบาปพ้นจากอิทธิผลของบุญของบุญและบาปแล้วก็ต้องมารอคิวกันจนกว่าจะได้คิวถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่คําถามจากคุณคนมีกรรมครับอาจารย์ขอถามพระอาจารย์ครับพระธาตุมาที่บ้านผมเองควรทําอย่างไรดีครับก็บูชาเนี่ยคิดว่าเป็นเหมือนพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าองค์แทนของพระอริยสงสาวั เราก็ใส่ในระบกเมื้อใส่ในภาชนะที่เหมาะสมแล้วก็ตั้งไว้เหมือนกับที่เราตั้งพระอุตตรจากคุณสายสุนีครับกราบเรียนถามท่าอาจารย์ค่ะว่าหากเราดูลมหายใจจนละเอียดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นลมหายไปจะทำให้เรารับรู้ถึงเวทนาที่ละเอียดขึ้นไหมคะแล้วรู้สึกเหมือนโดนชอนใช้เหงื่กฟันรู้สึกปวดเสียวฟันได้ไหมคะ ขณะที่เราดูลมนี่ลมมันจะหายไม่หายมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเวทนาเวทนานี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วหรือได้ช้าแล้วก็อยากหละเอียดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการดูลมของเราเน่ยมันมันไม่สําคัญที่สําคัญก็คือเวลาเราดูลมนี้เราต้องการที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ถ้าเกิดมีเวทนาปรากฏขึ้นมาเราก็อย่าไปอย่าไปสนใจให้เกาะติดกันกับการดูลงไปเพียงอย่างเดียวเพราะเราต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบใจจะเข้าสู่ความสงบได้นี้ต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับลมเพยงอย่างเดียวเท่านั้นจากคุณนอร์กัสดีแลนดครับรการเป็นหนี้เพราะตัวเองไม่รู้เพราะข้อมูลครั้งแรกบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงิน แต่หลังจากนั้นเรากลายเป็นนี้ซึ่งเราไม่ได้ก่อเราได้อธิบายชีย้แจงและคนแรกมายืนยันว่าเป็นผู้บอกเราแต่กลับเป็นนี่โดยเป็นเป็นบาปไหมครับคืออาจจะไปก่อหนี้โดยไม่รู้ตัวครับอาจารย์ครับไม่รู้ตัวได้ไงเราได้ของมาได้เงินมามันก็ต้องสงสัยแล้วเงินนี่มาได้อย่างไรมันก็ต้องสอ บ, สอบถามรายละเอียดให้แน่นชัดก่อนว่าเงินนี่มาแล้วมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า นั้นก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของเราที่ไม่รอบครอบใครก็ให้เงินมาก็คิดว่าก็ให้ฟรีแต่ความจริงมันเป็นอุบายของเขาที่จะให้เรามาเป็นหนี้เขาดังนั้นการที่เราจะได้อะไรมาอันนี้แบบง่ายๆนี้เราต้องรอบครอบ้องสอบถาม <c oughs> รายละเอียดว่ามีเงื่อนไขอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปเอาดีกว่า จาคุณวิธิตานะครับเล่นลอตเตอรี่ถือว่าเป็นการพนันไหมคะก็เป็นการเสี่ยงโชคก็ได้หรือว่าเป็นการเสี่ยงโชคหรือว่าถือว่าเป็นการเปิดช่องทางให้บุญเก่าที่เราเคยทํามาอาจจะได้มีช่องทางมาแสดงผลก็ได้ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ในในในปริมาณที่ พอสมควรอเคยอย่าทุ่มเทจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวไปกับการเล่นลอตเตอรี่เรียว่างวดหนึงซื้อสักใบหนึ่งเผื่อถ้าเรามีบุญเก่ามันอาจจะทําให้เราถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพ น, นันแต่ถ้าจะเล่นแบบว่าต้องเอากําไรทุกมวนอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นการเล่นการพนันนะครับผมคุณ ทิเดคาเตะนะครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะวันหยุดไม่อยากกลับไปหาพ่อแม่ครอบครัวอยากอยู่คนเดียวเพราะรู้สึกสงบกว่าถือว่าบาปไหมครับที่คิดแบบนี้ถ้าเรามีเหตุผลที่เราจะอยู่คนเดียวก็ไม่บาปอะไรไม่จําเป็นว่าจะต้องกลับไปหาพ่อหาแม่ทุกวันหยุดนะแต่เราก็ควรที่จะระลึกถึงพระกุศของท่านอยู่เสมอแล้วก็ควรจะติดต่อกับท่านนะ สมัยนี้เราก็สามารถโทรคุยกันได้หรือส่งข้อความฝากควา ม, ค, วามคิดถึงถึงกันและกันกพอจะเจอกันก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆเช่ทนท่านอนการใช้เราให้ไปทำอะไรหรือว่าเราต้องเอาสิ่งของไปให้กับท่านอย่างนี้ก็ไปแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลเราจะเลือกอยู่คนเดียวนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเลย คำถามจากคุณนัทนะครับรบกวนถามพระอาจารย์ค่ะการบรรลุพระโสดาบันขั้นต้นนอกจากการรักษาศีห์้าให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะและมีอะไรเพิ่มอีกคะอาการที่จะบรรลุพระโสดาบันได้นี่คือต้องมีปัญญามีปัญญามีความฉลาด mm hmm. เห็นว่าร่างกายนี้กับเวทนาคือความเจ็บปวดของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวเรา เราไม่ได้เป็นร่างกายนี้แลวความเจ็บปวดที่ออกมาจากร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เราต้องฝึกใจให้ปล่อยวางร่างกายาร่างกายจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายร่างกายจะเป็นอะไรก็ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยถ้าเราปล่อยได้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิเราก็จะ เป็นพระโสดาบันไดแต่การที่รักษาศีลนี่ก็เป็นเป็นปนขั้นตอนของการปฏิบัติก่อนที่เราจะฝึกสมาธิได้เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนและไม่ใช่เพรา ะ, ฉะเฉพาะศีลห้าเพราะว่าการปฏิบัตินี้บางทีต้องใช้ศีลแปเพื่อทำให้เราปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลดีเมื่อเรามีสมาธิแล้วมีอวบเบคาแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นตุกตาตัวหนึ่งที่ใจเรามามามาติดไว้ม า, มาเกาะติดเป็นเหมือนกับคนขี่มาาใจเป็นเหมือนคนขี่มาาร่างกายนี้เป็นเหมือนมาใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าเห็นด้วยปัญญา ร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนสามารถปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้อย่างสบายใจนี่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันมีคาถามจากคุณอุสรินภาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในสังคมทุกวันนี้มีแต่ความเกลียดชงังการดา่าทอทะเลาะเบาแ้กันในวงกว้างเราควรวางใจอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นอย่างไรคะ เราก็ต้องบอกว่าในโลกนี้มีคนหลากหลายเป็นเหมือนผ ล, ลไม้ผ ล, ลไม้ก็มีหลากหลายชนิดมีกล้วยมีส้มมีสับ ป, ปะรดมีมะละกอเราก็ดูคนตามความเป็นของเขาคนที่ชอบด่าก็รู้ว่าเขาชอบด่าคนที่ชอบเกลียดชังก็รู้ว่าเขาเกลียดชังก็ปล่อยให้เขาทำไปตามเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาเราก็จะอยู่กับเขาได้ การที่เราอยู่กับเขาไม่ได้เพราะเรารับเขาไม่ได้เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะก็ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เดือดร้อนใจขึ้นมาเพราะนี้เราต้องสอนใจของเราให้รับกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกับเรารับธรรมชาติเนี่ยเรารับดินฟ้าอากาศได้เรารับฝนตกแดดออกได้ฉันใดเราก็ควรจะรับกับคนต่างๆได้ฉช่นั้น เราต้องฝึกใจของเราให้ปลุกวางเฉยให้ยอมรับความเป็นจริงของโลกนี้ว่าโลกนี้มีคนหลากหลายชนิดด้วยกันอยู่ร่วมกันถ้าเราถูกผลกระทบที่ไม่ดีจากเขาแล้วก็หลีกเลี่ยงเขาเท่านั้นเองอย่าไปอยู่ใกล้เขาถ้าไม่มีผลกระทบเสียหายกับเราเราก็อยู่ใกล้เขาได้เท่านั้นเอง แต่เราอยากไปลังเกยียจเขาเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันจะทาให้เรามีความไม่สบายใจจากคุณโยโ ย, โยค่ครับกราบนายพัสดการครับหากบุคคลยอมรับในความเสื่อมของร่างกายแม้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้เป็นไปรักษาเองตามสภาพไม่ได้กินยาหาหมอแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกก็เราก็ดูแลร่างกายไปเลตามตามความเหมาะสมของเรา เราอาจจะเป็นหมอเองก็ได้รักษาไปตามเรื่องของเราเราพร้อมที่จะให้ร่างกายหายก็ได้ไม่หายก็ได้ตายก็ได้ไม่ตายก็ได้มันก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นบาปแต่อย่างใดจากคุณตอยเต้ตวิทนะครับกราบนพัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามค่ะข้อหนึ่งการปฏิบัติทุกคนต้องเริ่มจากการทําสมถะใช่ไหมคะดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธต้องเริ่มที่สตินะครับ การปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีสติก่อนสติคือผู้ที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆถ้าไม่มีสติหยุดความคิดนั่งสมาธิเท่าไหร่จิตก็จะไม่สงบดัง น, น้นขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมนี้ต้องมาเจริญสติกันก่อนเช่นการสวดมนต์นี้ก็เป็นการเจริญสติในเบื้องต้นแต่การสวดมนต์อย่างเดียวก็อาจจะไม่พอถ้าอยากจะให้มีสติมากๆนี้เราต้องเจริญสติทั้งวัน เจริญสติทั้งแต่ตื่นขึ้นมาซึ่งเป็นของยากสําหรับผู้ที่ของผู้ที่ไม่ได้เป็นนัก บ, บวชเพราะต้องมีการทําหน้าที่ทํามาหกินต้องใช้ความคิดต่างๆจึงไม่สามารถเจริญสติได้เป็นเหมือนกับพวกนัก บ, บวช น, นั้นการจะปฏิบัติทําให้ได้ผลจริงๆนี้เป็นนัก บ, บวช น, นี่น่าจะหมังกว่าแต่ถ้าอยากจะปฏิบัติทำในฐานะของผู้ครองเลินก็ทําได้ แต่ผลมันจะไม่ได้ไม่ค่อยมากเปรียบเทียบเหมือนกับนักกีฬามืออาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาสมัครเล่นก็นจะเล่นใ่ช่วงที่ว่าเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือตอนเย็นแต่ช่วงอื่นก็ต้องไปทำงานแต่ถ้าเป็นนักกีฬามืออาชีพนี่เขาฝึกกีฬาทุกวันเป็นอาชีพของเขาเน้นผลที่จะได้มันยึ่งต่างกันมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนี้ ยามีความสามารถไม่เท่ากันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นผลก็จะได้น้อยถ้าปฏิบัติแบบมืออาชีพผลก็จะได้มากแต่การปฏิบัตินี้ต้องเริ่มที่สติ ก, ก่อนถ้าไม่มีสติควบคุมใจหยุดความคิดใจไม่ได้นั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ จากคุณชนกพรครับน้องชายเพิ่มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ตอนที่เขามีชีวิตเขาเป็นคนที่ดีมากเขาจะได้ไปสุขติไหมคะกราบอามาตยรการเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเราไม่ถ้าเราไม่มียานยานอย่างทราบนี่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้พราะเราอาจจะเห็นเขาเพียงเสี้ยวเดียวว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเรารู้จักตัวเราดีพอหรือไม่ ว่าเราทําความดีมากกว่าทําบาปหรือไม่งั้นอย่าไปกังวลยันแล้วกันว่าเราพยายามโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นนี่อย่าไปกังวลให้มาสนใจเรื่องของเราดีกว่าพยายามด ต, ตาดูตัวเราเองว่าเราทําความดีมากน้อยเพียงไรจะดีกว่าทคำถามจากคุณมนูนครับมีวิธีสงบจิตใจในภาวะที่เจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจกและวิกฤตโรคภัยแบบเบื้องต้นง่ายๆไหมคะ ก็ทําใจให้สงบนั่นเองวิธีทำใจให้สง บ, บก็คือนั่งสมาธิหรือทําพุทโธพุทโธหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดให้ได้ใจสงบใจก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณต่างๆรอบตัวเพราะใจปล่อยวางใจกลับเข้าไปข้างในใจนั้นเองเหมือนกับคนเราเวลาอยู่นอกบ้านนี้มันก็จะถูกเหตุการณนอกบ้านมากระทบ พอลหลบเข้าไปในบ้านได้เหตุการณ์นอกบ้านก็จะไม่สามารถตามเข้ามาในบ้านเราได้การฝึกสมาธิก็เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปรับผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ภายนอกใจนั่นเองคําถามจากคุณแคทครับฟังธรรมแล้วนั่งสมาธิไปด้วยได้ไหมคะพอได้ฟังธรรมไปด้วยรู้สึกฟุ้งซ่านน้อยลงนั่งสมาธิได้นานขึ้น คือการทำธรรมก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวอยู่แล้วถ้าเรามีสติก็อยู่กับการฟทำธรรมก็เหมือนกับการนั่งสมาธิเรามีสติกับอยู่ลมหายใจหรือมีสติอยู่กับพุโทโธคือใจเราต้องมีอะไรถูกไว้ไม่ให้ปล่อยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองเวลาเรานั่ ง, งทำธรรมก็เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบและฝึกปัญญาไปในตัวด้วยไดทั้งสองอย่างได้ทั้งสมาธิและได้ทั้งปัญญาด้วย คำถามจากคุณจุทารัตน์ครับทำอย่างไรให้มีสติตั้งมั่นในชี SI ka, วิตประจำวันครับกับนัสการพระอาจารย์ก็ต้องมีสติครับตบยามสร้างสติขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปอดีตอย่าปล่อยให้ไปอนาคตเดินไว้ให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปโดอด้วยการจดจ่อเฝ้าดูการกระทาของร่างกายตอนนี้ร่างกายกาลังทาอะไร ก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นพร้อมๆกันไปใจก็จะตั้งมั่นคํถาถามจากคุณเบอร์ลินนะครับวิญญาณหรือสัมภเวสีสามารถฟังธรรมจากพระสงฆ์จะสามารถเข้าใจในธรรมะได้ไหมครับเท่าที่ได้หยิบมานี้มีพวกเทวดาเท่านั้นที่จะสามารถฟังธรรมได้ มีคำถามจากคุณดาราครับบอกพระพุทธเจ้าใช้ทำข้อใดแสดงทําให้บุรุษฟังแล้วอยากบวชคะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทำชนิดต่างๆเพื่อสอนให้รู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์และการที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมการจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องเป็นนัก บ, บวช พอท่านสอนแค่นี้เขาก็เข้าใจและเขาก็อยากจะบวชกันจากคุณนัดนะครับกราวอรรมบัตการเจ้าค่ะเราควรคิดอย่างไรกับคนที่โกงเงินเราไปคะเขาไม่รู้สึกสลดอะไรเลยคะ่ะยังโพสต์ด่าเราเรื่อยๆหราควรจะจัดการกับความคิดนี้อย่างไรคะก็คิดได้2วิธีที่ว่าเราเป็นนี่เขาแล้วกันเดีติชาเราเคยโกงเขาตอนนี้เขาก็เลยมากองเรามาเอาเงินของเราไป อ น, นี้ก็เป็นวิธีคิดอันหนึ่งใช้นี่ก็บีกวิธีนึงก็คิดว่าเป็นถูกขโมยถูกเขาขโมยเงินของเราไปขโมยออกไปแล้วก็ยากที่จะเอามันคืนมาได้งั้นขอใคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สบายใจคุณวิทิดาครับการเชื่อเรื่องการดูดวงผิดกฎพระสงฆ์ดาวันไหมคะคือมันไม่เป็นเรื่องจริงสิพระสงฆ์ดาวันนี้ยรู้ว่า ความสุขทุกความเจริญความเสื่อมของของจิตใจของเรานี้เกิดจากาการกระทําของเราเองพระโสดาบันจึงเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างเดียวไม่เชื่อเรื่องจากคุณแสงดาวครับนรกหรือสวามีจริงไหมคะนรกก็คือความทุกข์ใจสวรรค์ก็คือความสุขใจนี้เวลาที่ไม่มีร่างกาย ใจก็จะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำไว้ถ้าบุญมีอํานาจมากกว่าบาปตอนนั้นใจก็จะมีความสุขเราก็มีว่าสวรรค์ตอนที่ใจถ้าบาปมีอํานาจมากกว่าบุญใจก็จะมีความทุกข์ตอนนั้นเราก็เรียกวันดาวลกเมื่อบายมีคําถามจากคุณสวิทโฮมครับกราบเรียนถามค่ะช่วงเวลาที่เราเสวยวิบากที่ไม่ดีอยู่ จะมีบุญใหญ่อะไรจะผ่อนวิบากนั้นสั้นลงไหมคะก็ไม <K> ่แ<ๆ>น่มันมันก็สลับกันมาสลับกันไปเหมือนกับเป็นเป็นวาระของแต่ละของลกรรมตอนนี้มันมีวิบากทางในมันก็ต้องแสดงไปถ้าถึงวาละของวิบากอีกทางหนึ่งมาเสริมมันก็ช่วยมันก็จะช่วยได้แต่เราไม่สามารถไปกำหนดมันขึ้นมาได้มันเป็นไปตามวาระของมัน สิ่งที่เราสามารถช่วยใจของเราได้ก็คือทำใจให้เฉยๆไว mm ้ hmm. ยอมให้วิบากมันแสดงผลไปแล้วใจของเราจะไม่เหนื่ยอย้อนพยายามฝึกสมาธิให้มากๆแล้วใจเราจะเฉยเวลาพบกับวิบากกรรมต่าง ๆ, ๆใจจะไม่เดืออรนอนคำถามจากคุณปาวิทครับการทำบาปจากการผิดศีลข้อหนึ่งวงได้เปรียบเปียนค่าสัตว์ ได้เกิดจากความไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาเบียดเบียนจะแก้ไขได้อย่างไรทําอย่างไรดีครับคือการกระทําโดยไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจนี้ไม่ถือว่าบาปแต่ก็ทําให้เกิดความเสียหายได้ดังั้นคนจะแก้ไขด้วยการฝึกสติให้มากๆให้มีสติให้เรารู้อยู่ทุกขณะว่าเรากําลังจะทําอะไรถ้าเรามีสติรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรพอเราจะไปฆ่าสัตว์เราก็จะเด็กเนี้ยงได้ คำถามจากคุณวีนาครับกราบนรรสการเรียนถามพระอาจารย์เราทําบุญห้าบาทสิบาททุกวันถือเป็นการสะสมบุญบา ร, รมีให้เรามีความสุขความเจริญไหมคะถือว่าเป็นการสะสมบุญได้การทานบา ร, รมีทํามากทาน้อยก็จะได้บา ร, รมีมากบา ร, รมีน้อยคํถาถามจากคุณคํถาถามจากคุณเบญจะดวงมาลาครับกราบธรรมสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ ก่อนนอนเราอาราธนาศีห์้าแล้วนอนหลับไปแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้หรอกไม่งั้จะอาราธนาไปทําไมพรตอนที่คุณนอนหลับคุณก็ไม่ได้ไปทําอะไรอยู่แล้วการอาราธนาศีห์ห้านี้ต้องอาราธนาตอนที่เราตื่นตอนที่เราก็เราจะไปทํางานทําการเราก็ต้องอาราธนาศีห์้าไว้เพื่อจะได้มีอะไรมาคอยควบคุมมาขับใจเราไม่ให้ไปทำบาปนั่นเองแต่เวลาที่เรานอนหลับนี่เราไม่ได้ไปทําอะไร เงินการอารธนาศีห์ห้าหรือไม่อัลาห์ธนาศีล์ห้าก็เท่ากันแต่ถ้าเราอัาหธนาตอนที่เราตื่นตอนที่เรากําลังจะไปทําอะไรนี้มันมีความต่างกันถ้าเราไม่อัลลาหธนาก็แสดงว่าเราไม่รักษาศีห์้าถ้าเราอาร์ธนาก็แสดงว่าเรารักษาสีล์ห้าเพราะเราจะไปทําอะไรที่ผิดศีลเราก็จะยับยั้งได้เงินเราไม่อาร์ธนาศีหตอนที่เรานอนหลับกัน อาราธนาศีลตอนที่เราตื่นเพราะตื่นขึ้นมาตอนเช้านั่นแหละคือเวลาที่เราต้องอาราธนาศีลห้าแล้ววันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพยจะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดปดจะไม่ดื่มของหมุนเบาอาราธนาผิดเวลาไม่ใช่อาราธนาก่อนนอนต้องอาราธนาหลังจากที่ตื่นนอนแล้วคํถาถามจา ก, กุณเอสครับ ตอนนี้คนเป็นทุกข์มากครับจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เห็นความคิดกับความรู้สึกแยกออกจากกันได้ไหมครับก็ต้องหทำใจให้สงบเนะี่ยต้องฝึกสมาธิเพราะชุกะพอฝึกสมาธิแล้วใจก็จะแ ย, ย ก, ยยกออกจากความรู้สึกต่างๆใจก็จะไม่จะไม่เสกความรู้สึกต่างๆใจจะเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไม่เดือดน้อนกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น คำถามจากคุณวีนาครับกราบนรรมศสการพระอาจารย์ขออนุญาตเดือนถามว่ากายหยาบที่เกิดมาในชาตินี้ทำไมสวยหรือรอไม่เท่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเกี่ยวกับบุญที่เราสะสมไว้ใช่ไหมคะอันนี้ก็มีส่วนนั้นคือบุญคนที่ทำบุญมามักจะได้รูปร่างหน้าตาที่ดีที่สวยงามกว่าคนที่ทำบาปแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงเหตุปัจจัยอันเดียวนะเพราะว่าบางทีก็ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาไปคือไปได้ร่างกายของที่ของของพันที่มันไม่สวยเช่นคนที่มาเกิดในทวีปเอเชียกับคนที่ไปเกิดในทวีปยุโรปหรือคนที่ไปเกิดในทวีปแอฟริกาเนี่ยมันก็ต้องได้ร่างกายของคนในทวีปนั้นๆไม่ว่าจะทําบุญมาหรือทํำบาปมาอันนี้มันก็ก็เป็นอีกเหตุอีกปัจจัยหนึ่ง แต่ถ้าเราเราเอาแต่เฉพาะทวีปทวีไปเนื้อชาติเชื้อชาติไปในคนเชื้อชาติเหล่านั้นก็จะมีสวยไม่สวยต่างกันไปก็ถือว่าขึ้นอยู่กับบุญกับบาปของแต่ละคนคําถามจากคุณปุณรวิครับนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบสักทีควรทําอย่างไรคะก็ไปฝึกสติก่อนนะครับอย่านั่งสมาธิฝึกสติด้วยการสวดมนต์ โดยการบริการพุโทโธพุโทโธก่อนที่จะมานั่งสมาธิคำถามจากคุณเจษฎากรครับขอสอบถามพระอาจารย์ว่าจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องสวดมนต์หรือคาถาต่างๆ9จบ1้108จบหรือสวดตามจำนวนอายุเราควรใช้หลักอย่างไรในการกำหนดจำนวนรอบการสวดครับคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นอุบายของการฝึกสตินั่นเอง ถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้การสวดหมดนี้เป็นการสร้างสติขึ้นมานี่จะสวดกี่ราบนี้ก็อยู่ที่ว่าสวดได้แล้วได้สติได้มากได้น้อยเท่าไหร่พอเรามีสติแล้วเราก็มานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบใจยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องกลับไปสวดต่อสวดไปจน ก, การทั่งความฟุ้งซ่านต่างๆมันสบงนบลงแล้วทําให้เราสามารถมานั่งสมาธิได้เราก็ค่อยหยุดสวด คำถามจากคุณนัทครับกราธรรมสการเจ้าค่ะหนูให้เงินสามีใช้ตลอดระยะเวลาห้าปีโดยที่เขาบอกว่าจะนำเงินไปต่อยอดชีวิตส่งจนเขาเรียนจบปโทสุดท้ายเขาก็ทิ้งหนูไปหนูโง่ามากไหมคะหนูแคร์มากหนูจะจัดการกับความคิดอย่างไรดีคะก็หนูก็ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้แท่งแท้นนแน่นอะนอะไรในอนาคตนี้มันจะ เป็นอย่างไรมันไม่มีใครสามารถที่จะไปกำหนดมันได้บางทีเขาพูดว่าเขาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในวันนี้แต่พอถึงเวลานั้นเขาอาจจะไม่ทำตามที่เขาพูดก็ได้นั่นจะว่าหนูมองวลาหรือหนูไม่ฉลาดไม่รอบคอบก็ได้หนูลืมความความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนโบราณท่านสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจมใจตาย จากคุณอุสิริณภานะครับากาเปียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมในขั้นต้นเราก็จะไม่สามารถแยกได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมคะเราก็แยกได้ในเบื้องต้นด้วยการใช้ความคิดนี้โดยอาศัยคําสอนของพระเจ้าที่สอนว่าเรานี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเหมือนเจ้านายของร่างกายเพียงแต่ว่าเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณ ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอันนี้เราก็สอนได้แยกแยกแบบนี้ไม่ก่อนล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรพอจะตกใจแล้ก็เราก็ต้องบอกเดอนใจว่าอย่าไปตกใจคุณไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรผู้ที่เป็นคือร่างกายเขาเจ็บก็จัดเจ็บเพียงร่างกายใจไม่ต้องไปเจ็บกับร่างกายอันนี้ก็สอนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะแยกกันได้ตวอัตันองมัน คำถามจากคุณนัทช่างแต่งหน้าครับพระอาจารย์จิตสุดท้ายของคนถ้าก่อนตายคิดเรื่องอกุศลกรรมโมหะโทสะโลภะก็จะเกิดไปเกิดตามที like ่ตามสภาวะจิตสุดท้ายที่คิดแล้วบุญบาปที่สร้างมาจะส่งผลตอนไหนคะก็ส่งผลตามจิตสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่าถ้าไปคิดทางอกุศลก็แสดงว่าทาบาปมามากกว่าทำบุญนั่นเองถ้าทาบุญมามากกว่าทำบาปก็จะไม่คิดไปในทางอกุศล พยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มากกว่าบาปอกุศลพอตายไปจิตก็จะไม่คิดไปทําบาปทำอกุศลจะคิดไปแต่ทาบุญทางกุศลจากคุณเม็กทีวีครับกราบหลวงพ่อเจ้าข่านหนูเคยเอาแมวไปปล่อยหนูจะบาปมากไหมคะและจะแก้กรรมตรงนี้ด้วยวิธีไหนเจ้าคะรู้สึกผิดมากแต่สี่สิบปีมาแล้วแต่หนูไม่เคยลืมเลยรู้สึกเป็นบาปมากไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไป ฆ่าเขาไปทําให้เขาเจ็บหรือทาให้เขาเสียหายเดือนนอนคือเราไปปล่อยเขาให้อยู่ตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นเองแปลว่าขาดความเมตตาได้แต่จะว่าบะนี้ไม่บะคําถ า, ถามจากคุณอลอนบอยแปดหกครับกรมน้ำพสการพระอาจารย์ครับมีความสงสัยผู้ที่ดื่มสุราเพื่อการผ่อนคลายหยุดเมื่อรู้ว่าตัวเองจะขาดสติถือเป็นการผิดศีลห้าไหมครับ ถ้าว่าตามตัวอักษรก็ผิดแม้แต่หยดเดียวก็ผิดเพราะสีห้าไม่ได้บอกว่ า, าถ้าถ้าดื่มเพื่อการผ่อนคลายนี้ไม่ผิดไ ม, ไม่มีกำหนดไว้ในสีนห้าสีห้าเป็นแต่กำหนดว่าไม่ให้ดื่มสุราแม้แต่หยดเดียวคุณวันแรนไลท์ครับผมขอกราบเรียนถามอาจารย์ผ่านคุณหมอครับ สามสิแปดมงคลสูตรในแต่ละข้อถ้าทําแล้วมีสิริมีมงคลกับตัวเราแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องหรือคนที่ต่อต้านจะเกิดอะไรขึ้นจิตใจผู้นั้นจะเป็นมลทีมจิตใจเศร้าหมองหรือบาปไหมครับถ้าเขาต่อต้านก็แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเรามีของดีเหมือนเรามีทองคําแท้แล้วเขาบอกว่าเป็นทองแก้ก็เท่านั้นเอง ก, ก็แสดงว่าเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เจอทองคําที่แท้จริงแล้วก็ เพราะจะคิดว่าเป็นทองทองทองเกคาสอนของพระเจ้านี้เป็นคาสอนที่วิเศษที่ประเสริฐที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงถ้าเขาต่อต้านหรือเขาไม่ทำตามเราก็จะไม่ได้ความสุขความเจริญที่แท้จริง น, น, นั่นเองคำถามจากคุณสายสุขสับสุขสับนะครับ กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคุณยายอายุ94ปีมักจะพูดถึงญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วว่ามาหาบ่อยมากคุณแม่ดูแลคุณยายท่านก็รู้สึกกลัวมีทางแก้ไขไหมคะหรือเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุคะก็เป็นเรื่องปกติของแต่ละคนบางคนสูงอายุก็ไม่คิดก็นี้อยู่ที่สติของแต่ละคนถ้ามีสติน้อยเวลาชราก็มักจะเพยเจอมักจะหลงไหล อย่าล่าพูดที่มีสติแล้วจะไม่มีความคิดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆเหล่านี้พระอริยภูบาาจารย์ที่ท่านอายุเก้าสิบร้อยปีนี้ท่านจะไม่มีความเพอเจ้อไม่มีความหนมเพราะท่านมีสติตลอดเวลาจักคุณมนูนครับการแผ่เมตตาช่วยให้อะไรที่เกิดในชีวิตมากระทบชีวิตดีขึ้นไหมกราบนรัสการค่ะ ของการแถ่เมตตานี้พระเจ้าก็แสดงว่ามีอ น, นิสงส์อยู่หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งจะมีความสุขไม่ว่าตื่นหรืออหลับนี่จะมีความสุขผู้ที่มีความเมตตาข้อสองเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายข้อสามจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษคือจะไม่ตายด้วยการกระทําของผู้จะตายแบบธรรมชาติ แล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วก็เวลาที่จะตายก็จะไม่หลงแล้วก็ถ้าตายไปก็จะไปสู่สุขติ น, นี่คืออนิสสมของการมีความเมตตา แต่คุณวันแลนไลท์นะครับการอนุโมทนาสาธุกับการลงมือทําบุญด้วยตนเองใครจะเป็นฝ่ายได้บุญกุศลมากกว่ากันครับเออมันเป็นบุญกุศลคนละชนิดเหมือนยาคนละชนิดน<ม>ได้ประโยชน์ไม่เท่ากันทําบุญเองก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งเวลาคนอื่นก็ทําบุญแล้วเราก็อนุโมทนาเราก็ได้บุญอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวตาเรา้องเข้าใจว่าการอนุโมทนานี i มันมันเป็นอย่างไร เช่นเราเป็นเจ้านายมีลูกน้าวมาขอลาบวชสี่เดือนการที่เขาลาไปบวช4ี่เดือนนี้นแสดงว่าเราจะทําให้เราขาดคนทํางานหนึ่งคนแต่เรามองว่าเออเป็นการทําที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับเขาเรากย็ยินดีที่จะรับผลกับกระทบอันนี้ที่ทําให้เราขาดคนงานไปหนึ่งคนถ้าเราอนุมัตนาก็คือเราอนุญาตแสดงความชื่นชมยินดีกับการไปบวชของเขา อย่างนี้เราก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีมีความสนใจที่เราด้วยได้ได้สนับสนุนให้ผู้ที่เขาต้องการจะทําความดีทําบุญได้ทําความดีนั่นเองแต่ถ้าเราไม่อนุโมทนาระบอกว่าไปบวช ไ, ได้ได้ถ้าจะบวชก็ต้องลาลาออกไปอย่างนี้ก็อา จ, จะทําให้เขาไม่กล้าไปไปบวชขนาด อันนี้คือความหมายของการอนุโมทนาบุญที่แท้จริงไม่ใช่ใครมาบอกว่าผมไม่ทำบุญมานี้แล้วก็บอกว่า อ, น, น, อ น, นุโมทนาสาธุอันนี้มันเป็นการพูดปากเปล่าไม่ได้มีผลกระทบต่อต่อตัวเราอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องมีการเสียสละในการอนุโมทนาอันนั้นนถึงจะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกคือบุญขึ้นมาในใจของเราคำถามจากคุณลินลี่ครับ เราจะวางใจให้อภัยกับคนที่ทําร้ายกับเราได้อย่างไรคะก็มันเกิดขึ้นแล้วเน่ยเราจะไปโกรธเขามันได้ประโยอะเลยเวลาโกรธีห้เขาไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยคนโกรธต่างหากที่เป็นคนเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่เขาทาร้ายเราแล้ ว, ลวก็นอนหลับสบายเราจะโกรธเขาอย่างไรเขาก็ไม่เดือดร้อนเราต่างหากที่เดือดร้อนเนี่เราอย่าไปทําโทษตัวเราเองสองสองครั้งทั้งแรกก็ถูกเขาทําทําโทษเราแล้วทําร้ายเราแล้ว ยังไม่พอเรยังมาทําร้ายตัวเราเองด้วยด้วยการไปโกรธเขางั้นเราอย่าไปโกรธเขาเราให้อภัยเขาแล้วใจเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสงบความเสีหยหก็จะเป็นเพียงส่วนเดียวไม่เป็นสองส่วนคําถามจากคุณอามครับกราบนรมาสการพระอาจารย์โยมปฏิบัติมาสักระยะแล้วเวลานอนจะไม่ค่อยหลับเหมือนจิตมันตื่นตลอดแต่เช้ามาก็ไม่เพลียมีวิธีแก้ไหมครับนรมาสการครับ ก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอเลอยเวลานอนไม่หลับนี้มันอาจจะไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติแค่นั้นมันอาจจะเกิดจากความคิดฟุง้งซ่านของเราก็ได้ถึงนอยไม้หลับไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติถ้าปฏิบัติที่แท้จริงนี่ถึงเวลาโอ้ถึงหมอที่หลับปุ๋ยเลยถ้าจิตสงบจริงๆนั้นอาจจะถืออาจจะถือว่าปฏิบัติยังไม่ได้ผลก็ได้ พอเวลานอนหลับก็เลยฟุ้งร่างคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยนอนไม่หลับอันนี้อย่าไปโทษการปฏิบัติโทษว่าการปฏิบัติไม่ได้ผลดีกว่าที่ยังไม่ได้ผลจากคุณชนิดสราครับกราบมัสการพระอาจารย์ขอถามนะคะคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญจึงได้มาเกิดแต่ทําไมบางคนเกิดมาแล้วเขาทําร้ายคนอื่นเจ้าคะ ไม่จริงหรอกการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นดวงวิญญาณที่ได้พ้นจากบุญจากบาปพ้นจากอานาจของบุญของบาปแล้วคือบุญและบาปที่มีในใจตอนนั้นมันมีกําลังเท่ากันไม่สามารถที่จะดึงใจไปทางสวรรค์หรือไปทางอบายได้เวลานั้นใจก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่จะมารับร่างกายนั้นใหม่เมื่อเกิดใหม่แต่บุญและบาปที่มีอยู่ว่ายังสามารถที่จะแสดงผลได้ เวลาที่มาเกิดถ้ามีบาบมีกำลังมากเวลามีลายมากระทบก็อาจจะทําให้ทําร้ายผู้อื่นได้แต่ถ้ามีบุญมากเวลามีลายมากระทบก็จะไม่ทําร้ายผู้อันนี้มันเรื่องของบุญและบาปที่ยังข้างค้ ง, งอยู่ในใจอยู่ยังไม่หมดครับแต่คําถามนี้ขอข้ามไปก่อนครับอาจารย์ยาวแล้วเขเหมือนเขาเขียนไม่จบครับอาจารย์ครับ จากคุณไบต์แอนด์มอมนะครับทุกวันนี้พยายามอย่างมากที่จะไม่ผิดศีลข้อสี่เนื่องจากเพื่อนร่วม ง, งานจะชอบมินทาคนอื่นตลอดเวลาเราขอไม่ออกความเห็นกลายเป็นไม่ใช่พวกไปทำอย่างไรดีคะก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นนี่ทำไงได้ล่ะอเราเป็นกล้วยเราเป็นส้มเนก็ก็ยอมรับสภาพกัามเป็นจริงว่าเราเป็นคนที่ไม่เราเราเป็นคนรักษาศีลส่วนเขาไม่เป็นคนรักษาศีล มันก็ยังเป็นปกติว่าจะการไม่ไม่เป็นพวกเดียวกันไปเท่นั้นเองเขาไปคบกับคนที่เขารักษาศีลสิ่งคนที่ไม่รักษาศีลเราก็อยากไปคบกับเขาเป็นเหมือนน้ามันกับน้ํามันปนกันไม่ได้น้ําก็ต้องอยู่กับพวกน้ําน้ํามันก็ต้องอยู่กับพวกน้ํามันแลาน้ํากับน้ํามันมาปนกันมันไม่ยอมปนอยนี้ลองเอาลองอาน้ํามันมาใส่ผสมกับน้ำมาเขย่าขวดดูเขย่ายังไงมันก็ไม่ยอมรวมตัวกัน มันก็ต้องแยกจากกันคนที่มีเสียงกับคนที่ไม่มีศียก็มักจะไม่อยู่ร่วมกันจากคุณตีชดาครับกลางมัทสการพระอาจารย์เจ้าค่ะทําไมลูกชายถึงไม่รับธรรมะที่แม่สั่งสอนให้สวดมนต์ทำสมาธิให้เจ้าขะลูกชายอายุเก้าขวบเจ้าคขา เ, เขายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าให้เขาทาอะไรอธิบายเขาเข า, เขาไม่เข้าใจ นันการสอนอะไรบาอย่างให้กับเด็กนี่มันก็สอนเด็กให้ดื่มสุราเนี่ยเด็กมันไม่เข้าใจเด็กจะกินขนมมากกว่าเอาสุราให้เด็กเด็กไม่ดื่มเพราะยังไม่ถึงเวลาของเขางั้นการที่จะสอนให้เขาฝึกสมาธิตอนที่ก็ยังเป็นเด็กนี่ยังไม่ใช่เป็นเวลาเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากจะทําคําถามจากคุณ Happy of lifeness m a n สแมนแมนนะครับ การเหาะเหินเดินอากาศทำได้จริงไหมครับก็เหนือนี้มีเครื่องบินทำเงนได้เยอะแยะไปหมดางานโยมบินเงนไปบินเงนมาว้วนไปหมดคุณ ถ, ถ่ายเอสนะครับทำไมทำดีถึงไม่ได้ดีคนทำชั่วกับเจริญคะเพราะว่าเราไปดูผลของการทำความดีความชั่วผิดที่นั่นเองผลของการทำดีทำชั่วนี้เราต้องดูที่จิตใจไม่ใช่ดูที่ ลาภนุสัตวเสรสิญอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำดีทำาชั่วการทำดีจะทำให้จิตใจเราดีทำให้จิตใจเราสูงทำให้จิตใจเรามีความสุขการทำาชื่อจะทำให้จิตใจเราเสื่อมทำให้จิตใจเราต่ำทำให้จิตใจเรามีความทุกข์อันนี้คือผลที่เราจะมองจากการทำดีทำาชั่วกัน ถ้าเราไปมองผลที่ได้จากราบยศเสริญคน ท, ทําดีเจริญในราบยศเสริญก็มีคนทําชั่วที่เจริญในราบยศเสริญก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จะเป็นเครื่องวัดการกระทําความดีชั่วต้องดูที่ใจของเราว่าลเวลาทําความดีใจเราจะมีความสุขเวลาทําความชั่วใจของเราจะมีความทุกข์อันนี้แหละเป็นตัววัดผลที่แท้จริง คำถามจะคุณเปียณวรัตครับเวลาทําบุญให้คุณแม่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าไม่มีรูปไปตั้งไว้หรือไม่เขียนชื่อบนกระดาษแล้วเผาท่านจะได้รับบุญหรือเปล่าคะไม่ต้องมีหรอกเพียแต่ว่าเวลาทําบุญเสร็จเราต้องอุทิศด้วยใจเท่านั้นเองเช่นขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับบิาดามารดาปู่ย่าตายายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านนี้ก็พอไม่ต้องเขียนชื่อใส่กระดาษไม่ต้องเทน้าอะไรต่างๆอันนี้เป็นเป็นเป็นรูปแบบที่จะมา ให้เราเห็นภาพของการแบ่งบุญให้กับผู้ที่เขาลงรับไปแล้วเท่านั้นเอจากคนละดาวันครับหลงคิดฟุ้งซ่านนานบางทีคิดจนจบเรื่องจึงรู้ตัวทำอย่างไรให้ความคิดหมดไปคะก็ต้องรีบพุโทโธพุโทโธเลยนึสวดมนต์เลยคอยควบคุมอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดเท่าที่จำเป็นพอไม่จำเป็นจะต้องคิดพอจะเป็นคิดเรื่องอะไรก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธอด้วยการสวดมนต์ไป คำถามจ้าคุณบีย้ยนมอมครับเวลามีคนยืมเงินเราส่งสารให้เขายืมจนเขายืมบ่อยเป็นบาปไหมคะส่งเสริมไม่ให้เขาไม่รู้จักแก้ปัญหาก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าคิดว่าช่วยเขาแล้วทาให้ชีวิตเขารอดพ้นจากทุกภัยต่างๆช่วยแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขก็ช่วยไปแต่ถ้าเราคิดว่าช่วยไปแล้วทำให้เขาต้องมาพึ่งเราตลอดเวลา แบบนี้ก็คนที่จะหยุดก็อาจจะบอกเขาว่าช่วยได้เท่านี้นะทั้งต่อไปไม่ไม่ช่วยแล้วนะเพราะว่าถ้าเขาสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วเขายังไม่พึ่งตัวเองมาอาศัยเราอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ถูกมันจะทําให้เขากลายเป็นคนพิการไปจากคุณปอมนะครับกราบธรรมสการถามพระอาจารย์ครับ ถ้าทำธุรกิจค้าขายและต้องเล่นกับความโลภของคนกล่าวคือต้องไปกระตุ้นให้เขาเกิดความโลภอยากได้สินค้าของเราแต่เราไม่ได้หลอกลวงเขานะครับแบบนี้เป็นบาปไลยครับถ้าไม่หลอกลวงก็ไม่บาปแต่เราก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องกระตุ้นความโลภของเขาเราเพียงแต่มีสินค้าที่เขาอยากได้มันก็ความโลภมันก็มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีสินค้าที่ไม่กระตุ้นความโลภของเราทํายังไงไปกระตุ้นเขาก็ไม่อยากได้อยู่ งั้นถ้าอยากจะขายสินค้าต้องขายสินค้าที่เขาอยากจะได้กันเราก็จะขายดีถ้าไปขายสินค้าที่เขาไม่ต้องการกันก็จะขายไม่ได้เราไปขายลงศพดูสิโรงศพนี่ขายยากจะตายไปแต่ถ้าไปขายอย่างอื่นขายอยู่ขายยาเนี่ยคนอยากจะซื้อยายิ่งตอนนี้อยากจะซื้อวัคซีนเงินทั้งนั้นงั้วเราก็ต้องดูความต้องการของตลาดว่าเขาต้องการอะไรถ้วเราก็ขายสินค้าชนิดนั้นเราก็ไม่ต้องไปโกหกเหล่าหลวงหรือไปกระตุ้นความอยากของเขา อาจารย์ครับพูดถึงวัคซีนเมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วเราควรจะเรียกร้องให้เอาวัคซีนเข้ามาหรือเราควรจะอยู่เฉยๆดีกว่ากันครับอาจารย์ก็ดูว่าเรียกร้องแล้วได้ผลหรือเปล่าถ้าเรียกร้องแล้วได้ผลก็เรียกร้องไปถ้าเรียกร้องแล้วไม่ได้ผลก็ก็ก็เรียกร้องไปทาไมโดยไปเปล่าๆนะก็ต้องดูผลเนี่ยเหมือนกับไปขอเงินที่ธนาคารเนี่ยขอเงินเขาเขาไม่ให้เราแล้วเราจะไปขอที่นั้นมีใครไปขอเงินที่ธนาคารเกันบ้างป่า ไม่มีการไปขอหรอเพอราะว่าไปขอก็ไม่ได้ใช่ไหมก็แบบเดียวกันเนี่ยไปเรียกร้องที่ธนาคาร่าขอหน่อยตอนนี้ไม่หนึ่งเงินใช้เลยธนาคารก็ไม่ให้แล้วเราจะทำยังไงก็ไม่ให้เราก็ต้องหยุดขอแลนะ้วนั่บ <laughs> คุณแตคุณเบิร์ลินครับอาจารย์ขออนุญาตอีกคำถามครับ ลมหายใจสุดท้ายก่อนตายควรต้องคิดปล่อยวางว่างเปล่าหรือควรนึกถึงพระพุทธองค์หรือควรทําสมาธิรู้ตัวเองครับขอบคุณครับเราไม่นักคิดัแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไปรอให้ลมหายใจสุดท้ายเข้ามาคิดไม่ทันการท่านสอนบอกให้ฝึกตายก่อนตายให้เราคิดว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายสอนอย่างนี้ไปฝึก อ, อย่างนี้ไปแล้วเราก็จะทําใจให้ชมุยทําใจให้เฉยได้เมื่อถึง เวลาที่เราหายใจเพืือกสุดท้ายจากคุณจากครับมนุษย์ทุกคนเท่ากันไหมครับมนุษย์ทุกคนเกิดจากอะไรครับคือถ้าร่างกายก็เท่ากันมีอาการ3 2งเหมือนกันส่วนใหญ่ยกเว้นคนบางคนที่พิการแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดอันนี้ก็เป็นเรื่องบุกลิกงทางร่าง ก, กาย เรื่องทางร่างการนี้ส่วนใหญ่พวกเราเท่ากันมีอาการสาสิบสองเท่ากันตางการที่ทาจิตใจจิตใจของพวกเรานี้มีความรู้ความสามารถมีความดีความชื่อไม่เท่ากันเพราะเราสะสมความดีความชื่อความรู้ความสามารถมาไม่เท่ากันนั่นเองจากคุณมนทิราครับกราบนัวการหลวงพ่อเจ้าค่ะมีบุตรที่พิการเราจะช่วยเขาทำบุญแทนเขาได้แบบไหนคะ ก็ต้องสอนเขาให้รู้เรื่องให้ได้ก่อนเพราะการจะทําทบุญนี้ต้องเกิดจากเจตนาของตนเองอยากจะทําบุญแล้วก็มีของที่จะทําทบุญถึงจะทําทได้ถ้าไม่มีเจตนาอยากจะทําบุญไม่มีของที่จะไปทําบุญก็ทําไม่ได้ดังั้นถ้าเขายังเป็นเด็กอยู่เราก็เพียงแต่สอนให้เขาหัดทําบุญเช่นญาติพี่น้องที่ที่บ้านที่ไปเป็นตบาต น, นี้เขาจะฝึกเด็กให้หัดใส่บาตรไปก่อน ในการฝึกนี้ไม่ทําให้เขาได้บุญทำบุญนะเพราะว่าข้าวก็ไม่ได้เป็นของเด็กเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะทําทบุญเพียงแต่ว่าเมื่อพ่อแม่สอนเขาหรือสั่งเขาให้ใส่บาตรเขาก็เลยทําฝึกไปฝึกให้เป็นนิสยัยแล้วพอโตขึ้นพอเ ข, เขาเริ่มเข้าใจว่าการทําบุญนี่ทำอย่างไรแล้วถ้าเขาอยากจะได้บุญเขาก็จะทําบุที่น้อยเองได้ต่อไปขอบคุณสมครับอาจารย์ครับ ตียุงบาปไหมคะเราถือฝีห้าข้อไม่ครบตายถ้ายุงตายก็บาปยุงกับเรานี่ร่างกายเหมือนกันนะตายเหมือนกันทุกเหมือนกันอย่าไปดูหย่าไปคิดว่าร่างกายเขานิดเดียวบาปนี่จะไม่ไม่ทําให้เขาทุกข์มันเขาทุกข์เหมือนกับเราจากคุณทั ญ, ญลักษณ์ครับกลับเป็นถามหลวงปู่ค่ะการที่บุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือยตุติตั้งคัน ก็คือทำแท้งถูกกฎหมายนะครับตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นเด็กถูกขมคืนและตั้งครรภ์หรือสุขภาพของเด็กหรือแม่มีอันตรายรุนแรงแพทย์จึงจำเป็นต้องช่วยถือว่าบาปไหมคะตอนนี้พยาบาลแพทย์ทำงานกันก็ทุกใจมากเพราะบางครั้งถูกมองว่าทำบาปบาปเพราะว่าเป็นการฆ่าเป็นการทาลายชีวิตถ้าไม่อยากจะทาบาปก็เปลี่ยนอาชีพนะหรือทา และเขาปฏิเสธไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้งองทำบาป ก, ก็ปฏิเสธไปว่าไม่สามารถทำให้ได้คาถามจากคุณวันรันไลท์นะครับเวลาพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ในพุทธกิจพระพุทธองค์จะใช้พุทธญาณเพ่งดูว่าคนคนนั้นได้บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีหรือภาวนาบา ร, รมีด้านไหนมากกว่ากันครับหรือว่าดูทั้งสามอย่างพร้อมกันครับ เราก็ดูจิตใจของท่านของกฎแต่ละคนว่าพร้อมที่จะรับทำเพื่อบรรลุธรรมในวันนั้นได้หรือไม่เพราะบางทีเขาท่านอาจจะเห็นว่าชีวิตของเขาอาจจะใกล้ก็ามานะเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเช่นพระราชบิดาเนี่ยท่านป่วยมากพกระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดต้อนราชบิดาสอนธรรมะให้บรรุุเป็นผ้าหลานเจ็ดวันก่อนตายคำถามจากคุณพรชนกครับ การนมัสการค่ะจิตสุดท้ายของคนถ้าคิดไปในอกุศลกรรมแล้วจะนําพาเราไปเกิดตามอากุศลนั้นๆแล้วบุญกับบาปที่ทํามาล่ะคะจะส่งผลตอนไหนอันนี้ตอบไปแล้วแมบอกว่ามันจิตที่จะเป็นอกุศลไม่กาะศูนย์ไม่อกุศลไม่ได้อยู่ที่ตอนเรามาตั้งหลักในตอนจิตสุดท้ายเราตั้งไม่ทันหรอเพราะมันจะเป็นการเป็นการแสดงของบุญและบาปในขณะนั้นว่าส่วนไหนมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าบ า, มม า, กออกกาปาบาาบามีกำลังมากกว่ากันจิตก็จะเป็นอกุศลถ้าบาปถ้าบาปมีกำลังน้อกว่าบุญจิตก็จะเป็นกุศลจากคุณนัตยานะครับขอถามพระอาจารย์ค่ะปัจจุบันนี้รู้สึกมีความสุขที่ได้ฟังธรรมะต้องฟังทุกวันก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะพเพราะว่าลดแห่งํารมชนะลดแท่งบุญนั่นเองความสุขที่ได้จากการทำธรรมนี้เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งบบต่างๆนั่นเอง จะคุณแป้งจิดาพานครับกราบธรรมสการพระอาจารย์โยมปฏิบัติวิปัสนาดูเวทนาโดยพิจารณาที่ร่างกายทีละส่วนโดยมีสติและอุเบกขาต่อเวทนาที่เกิดทั้งสุขและทุกข์จะเห็นแต่กระแสสัน่นสะเทือนเกิดดับและเปลี่ยนแปลงตลอดอ่อนนี่อาจะรย์ที่ไปให้ฟังนะครับให้ตอบด้วยหระอาจาย์ขยายความก็ดีครับอาจารย์ดูเหมือนเขาเล่าให้ฟังครับผมคือการปฏิบัติ ที่จะดูเวทนาจิงๆต้องเป็นดูเวทนาที่มันนุนแรงที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจเราเช่นปวดท้องอย่างสุดๆอย่างนี้แล้วเราต้องฝึกใจให้เราเฉยๆกับมันให้ได้ถ้าเป็นทุกขเวทนาสุขก็เวทนาที่แบบเบาๆที่ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจดูแบบนั้นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีผลอะไรเราต้องมาดูผลที่มันมาสร้างความทุกข์ทรมารให้กับจิตใจเรา แลเราต้องมาแก้ทําให้ใจเราไม่ทุกข์ทรมานไปกับเวทนาอันนั้นนะถึงเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงจากคนนิหนาครับกราบธรรมสถานพระอาจารย์ค่ะอยากถามว่าเวลาเราสวดมนต์ทำไมขนลุกทั้งตัวเจ้าคะมันก็เป็นปิติของเรานั่นเองเวลาสวดมนต์แล้วใจเราไม่คิดอะไรใจเราก็เย็นสบายก็เกิดปิติขึ้นมาทำให้เกิดขนลุกขึ้นมา คำถามจะกคุณจอมชัยครับวิธีการระงับความโกรธแบบลืมตัวทําอย่างไรดีที่สุดครับรอาจารย์เป็นยังไงแบบลืมตัวไม่เข้าใจอันจะโกรธง่ายคนวันแรกของนางระงับความโกรธมันต้องรู้สึกตัวแต่ว่าตอนนี้เรากําลังโกรธพอเรากรธแล้วก็วรีบท่อพุโทโธพุโทโธพุทธอย่ากไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วพอเราลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็จะหาย จากคนจิตเป็นดั่งลมครับบอกว่าในปิยรูปสาตรรูปใจอยู่หมดหนึ่งส่วนวิญญาณหมดสาแสดงว่าจิตกับวิญญาณไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช่ไหมครับกรับสาธุครับคือวิญญาณได้มีอยู่สองชนิดนะวิญญาณที่เป็นจิตก็มีวิญญาณที่ทําหน้าที่ให้กับจิตคือไปรับรูปรูปเสียงกลิ่นอสต่างๆนี่ก็เก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกทิ้งกาย ส่วนตัวจิตเองนี่เวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกจิตตรงนั้นว่าเป็นวิญญาณเป็นดวงวิญญาณนั่จะว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่เป็นสิ่งเดียวกันก็ได้แล้วแต่เราจะพูดเราจะหมายถึงอะไรถ้าเรามายถึงตัวจิตเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากจิตมาเป็นดวงวิญญาณแต่เวลาที่เราพูดถึงวิญญาณที่ไปรับรูปเสียงเกิดรดอันนี้ก็เป็นวิญญาณทางทางทางขัน ฐานธาตุานามขันจากคุณแป้งครับกาพระอาจารย์ค่ะถามต่อนะคะการดูเวทนาที่แต่ที่มีแต่กระแสสั่นสะเทือนเกิดดับและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสี่เดือนมาแล้วเห็นซ้ําๆอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติถูกไหมคะก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเวทนาแบบไหนที่มีกระแสสั่นสะเทือนต้องดูเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นเวลาเราปวดท้องอหรือว่า เป็นไข้ยอย่างนี้แล้วเกิดเวทนาเกิดอาการเจ็บปวดว่าเราเ้าไปทั่วสภานร่างกายแล้วเราดูที่ใจเราว่าใจเรานิ่งได้ไหมใจเราไม่เราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายได้หรือไม่ถ้ามันเดือดร้อนเราก็ต้องใช้วิปัสสนาคือปัญญาสวรรค์ใจให้ปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้เพื่อทําใจให้สงบอันนี้ต่างหาคือวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาทางเวทนา จากคุณยงศักดิ์ครับอาจารย์กราบธรรมสถารครับเราจะสั่งสอนลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ในเรื่องพุทธศาสนาอย่างไรครับเพราะดูเหมือนคนรุ่นใหม่จับไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วครับเรื่องเหล่านี้มันต้องสอนตั้งแต่เด็กเวลาต้องพาเข้าวัดเราสอ น, นยังไม่ได้รเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ชนานาญผู้รู้เรื่องราวเรื่องบุญเรื่องบาปและการการะทําของเราก็ไม่ได้เป็นแบบฉบับที่น่าเชื่อถือได้ดังนั้นทำที่ดีก็พาลูกเข้าวัดทั้งครอบครัวเนะ ครอบครัวชาวพุทนี้ก็มักจะเข้าวัดกันไปทําบุญสาบาตรถ้ามีเวลาก็นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไปปฏิบัติธรรมหรือไปทําความดีในวันช่วยกันทําความสะอาดทําอะไรให้ที่เป็นการเสียสละอันนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไม่ใช่มานั่งสอนแต่ปากอย่างเดียวเหมือนแม่ปูสอนลูกปูเนะียแม่ปู่สอนให้ลูกปูเดินตรงๆแต่ตัวแม่ปูเองก็เดินเฉไปเฉยมาลูกก็จะดูพ่อแม่เป็น ดูการกระทของพ่อแม่ไม่ได้ดูที่คำสอนของพ่อแม่เป็นคำถามจากคุณณัตยาครับอยากให้คุณพ่อที่อายุมากแล้วหูตึงเข้าถึงธรรมะได้อย่างไรคะก็ต้องกลับไปเป็นคนงนมเท่านั้นนะเป็นคนที่หูดีตอนนี้มันสายเกินแก้ซะแล้วก็อ่านได้อย่างเดียวให้เขาอ่านถ้าก็อ่านได้ให้ก็อ่านถ้าเขาไม่อยากอ่านก็ช่วยไม่ได้ จากคุณดวงพรครับกลาวต่มาสัการค่ะการให้อ่านสัตว์เลี้ยงทุกวันเช่นสุนัขแมวทุกวันเป็นการสร้างทานบารมีหรือเปล่าคะเนเป็ น, ปนจากคุณฟานวิทย์นะครับกลาวมสัการพระอาจารย์การสวดมนต์ก่อนนอนร่างกายจะผลลุกสู้และรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้านหลังตลอดเวลาทำให้จิตใจฟุ้งซ่านมากจนไม่กล้าสวดมนต์บทนั้นๆในตอนกลางคืนแล้วเหตุ น, นี้เกิดจากสิ่งใดครับ เป็นอุ ป, ปทานของใจคิดปรุงแต่งหลอกใจไปเองไม่ต้องสนใจแล้วส่วนมันก็ให้จดจ่ออยู่การส่วนมันส่วนอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วก็จะมีความอาการต่างๆก็จะหายไปจากคุณวีระยาครับสวัสดีค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าการที่เราพูดทำให้คนอื่นไม่สบายใจจะเป็นบาปไหมคะ และบาปและผลกรรมที่เราทําลงไปแล้วจะทันเห็นในชาตินี้ไม่ต้องไปเห็นในชาติหน้าจริงไหมคะคือการพูดของเราถ้าไม่เป็นการพูดปลดนี้แล้วเขาไม่สบายใจนี้ไม่บาปต้องดูที่การแี่พูดของเราว่าเราพูดจริงแล้วไม่พูดจริงแต่ถ้าเราพูดจริงแล้วทําให้เขาไม่สบายใจต่อไปเราก็อย่าไปพูดกแล้วกันพูดพูดในเรื่องที่ทําให้เขาสบายใจแต่ต้องเป็นความจริงอย่าไปพูดปดกัแล้วกัน แต่คุณนัดนะครับถ้าเราเข้าโรงพยาบาลแล้วเราบอกคุณหมอและญาติๆไว้ว่าถ้าเราอาการหนักรักษาไม่หายขอให้ฉีดยาให้เราสิ้นไปเลยแบบนี้เราจะบาปไหมคะบาปเพราะเป็นงานฆ่าตัวตายตถ้าบอกหมอว่าขอให้ยุติการรักษาอย่างนี้ไม่บาปขอให้มันตายขอไปโดยธรรมชาติย่งนี้ไม่บาปแต่ถ้าขอให้หมอช่วยยุติชีวิตนี้เถือว่าเป็นการสั่งให้เขาฆ่ า, าตัวเราถึงแม้ไม่ทําเองสั่งให้คนอื่นเขาทำก็บาป คำถามจากคุณธีรติครับเราควรทําบุญเท่าไหร่ครับถ้าเราฐานะยากจนมีวิธีทําบุญอื่นนอกจากบริจาคเงินไหมครับถ้าเราไม่มีเงินจะทําก็าไม่ต้องทําทําทําบุญด้วยการรักษาศีลทําบุญด้วยการฝึกสมาธิก็ได้หรือว่าถ้ารักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้แล้วก็บริจากแรงกายของเราก็ได้เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมาัคร ช่วยงานกะสาธารณกุศลต่างๆก็ここได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันคำ ถ, ถามจากคุณดีดีสวิตด๊อกครับกรารรบธรรมัตการท่านพระอาจารย์เจ้าขาถ้าสมมติว่าทำบุญทุกวันวันละสิบบาทเป็นเวลาหนึ่งปีกับทำบุญครั้งเดียวไปเลยสาม0ันหอห้าสิบาทจะได้บุญเท่ากันหรือแตกต่างกันไหมเจ้าค่ะกราบสาธุค่ะก็เท่ากันแต่ทาครั้งเดียวนี้มันจะดีกว่าเพราะ ทำาละสิบบาทนี่ม่ร้ถ้าเกิดตายไปก่อนก็จะไม่ได้ครบสามรอบสามพันห้อยห้าสิบาทก็ได้เห็นไหมถ้าเราต้องการที่ว่ามันต้องการที่จะได้ผลบุญจากการทำบุญสามพันหห้าสิบบาทถ้าทำได้ในครั้งเดียวก็ทำไปเลยดีกว่าดีกาที่จะมาผ่อนส่งเพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนเราอาจจะเสอืออาจจะลืมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้เราต้องเสียชีวิตไปก่อนก็ได้ ยังการทําบุญนี้ถ้าทําได้มเมื่อไหร่นิบทำไปก่อนเลยดีกว่าจากคุณวันล้นไลค์ครับกล่าวเรียนพระอาจารย์ครับการทําบุญด้วยศรัทธาประกอบด้วยปัญญาคืออย่างไรครับหรือปัญญาในที่นี้คือเชื่อในสมาธิสิบประการหรืออย่างไรครับคือการทําบุญด้วยปัญญาก็รู้เหตุนู้ผลของการทําบุญชนิดต่างๆว่าทําบุญเพื่ออะไรเช่นทําทานนี้ก็ทําเพื่อละความตณี และความหวงในทรัพย์สมบัติชอบของเงินทองและป้องกันความโลภมากไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป้าหมายของการทําทานคือถ้าเราทําทานนี้เราก็เวลาเราโลภมากอยากจะได้เงินมากๆพอได้มาแล้วก็ไปทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆเราไปความโลภอยากจะได้เงินมากๆมันก็จะหายไปเพราะว่าหามาได้เท่าไหร่ก็ไปทําบุญทําทานเสียหมดนหรือหรือเราหวงเราตันนี หลักทรัพย์สมบัติมากเกินเหตุเกินผลเราก็เอาไปทําบุญเก็บทรัพย์สมบัติไว้เท่าที่จําเป็นที่จะต้องมีต้องใช้ก็พออันนี้คือเหตุผลของการทําบุญด้วยการทําทานคือต้องมีปัญญาต้องรู้เหตุสวลของการทําบุญว่าเราทําเพื่ออะไรเป้าหมายก็คือทอําเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์ทำให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสบายบุญทุกชนิดนี้ทําแล้วจะทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสบายแต่มี มีผลต่างกันมากน้อยและมีเหตุที่ทำให้ใจสบายนั้นต่างกันเทานทำทานก็ได้ผลอย่างหนึ่งมีเหตุเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งรักษาศีลก็มีเหตุอีกอย่างหนึ่งการไม่การรักษาศีลก็เพืรักษาใจให้เราไม่ทุกจากการทำบาสนั่นเองพ่าเวลาเราทำบาปใจเรามักจะไม่สบายพอเราไม่ทำบาปลรวรักษาศีลได้ใจเราก็จะเย็นจะสบายอันนี้คือทาบุญด้วยปัญญา น้องสาเหตุของการทำบุญทำเพื่ออะไรครับผมจากคุณ f อฟยนะครับสิ่งที่หลอกลวงเราที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียกมันว่าความสุขจริงไหมมีคนแปลกๆส่งมาทางไลายเชื่อได้ไหมคิดเองว่าไม่อยากเชื่อเลยเพราะเวลามองดูลูกๆทีไรก็มีความสุขทุกครั้งความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อมันสิ้นสุดลงมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ ใช้เวลาดูลูกตอนนี้ก็มีความสุขแต่พอว่าโรกลูกเป็นโลกมะเร็งขึ้นมาโรคไม่ลูกไม่สบายขึ้นมาเอาดูลูกทีไรก็จะ ท, ทุกทุกทีอันนี้ตัวอย่างจากคุณต่ายเอนะครับการทําสมาธิจะเช็คยังไงครับว่าเข้าสมาธิแล้วก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนะรับประทานอาหารมันอิ่เมื่อไหร่มันก็จะรู้เองเวลาจิตสงบเมื่อไหร่เราก็จะรู้เองว่าจิตได้เข้าสมาธิแล้ว อันนี้จากพี่ชายผมเองครับอาจารย์ครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ขอรับเวลานอนหลับฝันว่าไปที่ที่หนึ่งสวยงามรู้สึกก็สบายใจในสถานที่นั้นๆจนรู้สึกอยากกลับแต่หาทางกลับบ้านไม่เจอบางอย่างข้างในบอกว่าลืมตาเรากําลังฝันอยู่เมื่อลือก็เห็นว่าฝันไปอันนี้คือสติหรือเปล่าครับก็แสดงว่าเรามีสติในตอนปลายของความฝันในช่วงที่เราฝันนั่งเราอาจจะไม่มีสติ แต่พอเราเริ่มมีอาการที่เกิดความอยากอะไรขึ้นมาอาจจะปลุกสติของเราให้ให้ใหติ่ขึ้นมาก็ได้ให้รู้ว่าเรากำลังฝันอยู่ก็เท่านั้นเองจากคุณจีจีสมัยครับกฎของบุญทำอะไรได้บุญมากหรือน้อยกว่าเช่นทำสังฆทานได้มากกว่าทำทานกับคนธรรมดาเราคนพุทธก็รู้จากคำสอนและคนต่างชาติที่ไม่ใช่พุทธนะคะ ถ้าเขาไม่รู้ไม่มีพระให้ทําสังฆทานคือไม่ได้บุญหรอคะแล้วใครกําหนดคือการทาบุญนี้ได้สองส่วนนะไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นส่วนเดียวต้องแยกแยะว่าการทาบุญนี้มีสองส่วนส่วนแรกคือบุญที่เกิดจากผู้จากผู้ให้ผู้ให้ได้เสียสละข้าวของเงินทองให้กับบุคคลต่างๆนี่ผู้ให้จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็คือบุญอันหนึ่งแล้ว ทำบุญแบบนี้ทำกับใครก็ได้ทำบุญกับพระทำบุญกับคนธรรมดาทำกับสัตว์เดร้ยงาานทำแล้วเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญนะอันนี้คือผลบุญที่เกิดจากที่เกิดจากการกระทาของผู้ผู้ผู้ให้ผู้ผู้กระทาบุญแต่ยังมีบุญอีกส่วนหนึ่งที่จะได้จากผู้ผู้ผู้รับบุญผู้รับของของเราเช่นเราไปทำบุญกับสุนัข เราก็จะได้สุนัขมารักมาชอบเราถ้าเราไปทําบุญกับพระอริยะเราก็จะได้ฟังธรรมจากท่านเราก็จะได้ทำได้อริยะธรรมที่เราอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นได้าา จ, จะสามารถทําให้เราบรรลุปเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาก็ได้อันนี้ต่างกันอันนี้ก็อยู่กับบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยว่าเราทําบุญกับใครที่เราทําบุญกับพระสงฆ์เพราะเราต้องการทํามรู้ความนุม่งพระพุทธศาสนา เราต้องการให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ไปนานๆา น, นี่เกิดผลที่เราจะได้รอบจากการที่เราทําบุญเป็นสังฆทานแต่ถ้าเราทําบุญกับพระพุทธเจา้านี่เราก็จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้า ก, ก็อาจจะทําให้เราบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมเลยก็ได้อันนี้จึงเป็น จ, จึงต่างกันว่าเราไปทําทําบุญกับใครเราจะได้รับจากผู้นั้นต่างกันทําบุญกับสุนัขเราก็อาจจะได้สนัขมาเฝ้าบ้านมาคอยเหา คอยไล่ขโมให้กับเราเขาก็ทําได้เท่านั้นแต่ถ้าทําบุญกับพระอริยะท่านก็จะสอนธรรมะให้กับเราทําบุญกับพระสงฆ์เราก็จะมีธาตุพระพุทธศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งของเราไปเรื่อยๆนี่คือประโยชน์ที่ต่างกันจากจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยมันบุญเหมือนกันแต่คนละชนิดกันดังนั้นการทําบุญนี่มีสองส่วนบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันก็ เราเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทำให้กับใครก็ได้ทําแล้วเราก็มีความสุขใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งส่วนบุญอีกส่วนหนึ่งคือบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยขอให้เข้าใจว่ามีสองส่วคํถาถามจากคุณมนูนครับขอหลักการวิธีฝึกการตัดและการลดห่วงและบ่วงในชีวิตและมัสการครัก็มันพิจารณาถึงความตายอยู่ด้วยพิจารณาถึงความพัฒนาจากกัน ที่จต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ช้าก็เลยวถ้าคิดแล้วมันก็จะทําให้เราปล่อยวางตัดห่วงตัดบ่วงไดง้เพราะถ้าเราไปห่วงเราก็จะทุกข์แล้วเราก็จะรู้ว่าเราห้ามไม่ได้เรื่องความพันธนาจากกันไม่ช้าก็เลยเราก็ต้องจากกันทุกคนถ้าคิดบ่อยๆแล้วมันก็จะสอนให้ใจเราปล่อยวางไม่ให้ไปห่วงไม่ให้ไปยึดไปติดกับเขาเพราะรู้ว่า จะต้องจากกันถ้ายึดยึดถ้ายึดถ้าติดก็จะทุกข์มากเวลาเกิดการพภาพจากกันถ้าไม่ยึดไม่ติดเวลาจากกันก็จะรู้สึกเฉยเฉยจาคุณเวครับอาจารย์ครั บ, ก, บการพัสการตอนที่เรากําลังจะตายถ้าเราบริกรรมท่องพุทโธในใจจะถูกต้องไหมครับหรือควรทําใจให้ไม่คิดอะไรดีครับแล้วแต่ละวิธีเราจะได้อะไรครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน ถ้าเราท่องพุโทโธได้เราก็ท่องพุโทโธไปทําใจให้นิ่งให้สมองบไม่คิดภูนแต่งใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนกับความตายแต่เป็ น, เ ป, นเป็นวิธีแบบชั่วคราวถ้าเราเผลอเมื่มอไหยุดท่องพุโทโธเมื่อไหร่รใจเราก็อาจจะฟุ้งซ่านอาจจะเพลียขึ้นมาก็ได้วิธีที่สองถ้าเราใช้ได้ก็คือตรงด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันจะต้องตาย เราไม่ได้ตายไปของร่างกายเราเป็นจิตเราเป็นโยมิญญาณที่ไม่ตายถ้าเราแยกแยกได้ปล่อยวางได้เราก็จะไม่ถูกกับความตายของร่างกายใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาคําถามจากคุณนิตยาครับทําไมผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่ชอบเข้าวัดจากการสังเกตของตัวเองนะคะวันพระจะมีโยมผู้หญิงเยอะมากกว่าคะ่ะเพราะว่าผู้ชายก็มีที่ระบายความทุกข์ได้ ก็ไปหาที่ทำบุญ ต, ตามตามบาตามผับตามซ่องตามรายได้ผู้หญิงไปไม่ได้ผู้ผู้หญิงก็เลยต้องไประบายความทุกข์ด้วยการไปวัดกันไปทำบุญกันจากคุณ Happy of Life n e เนล e Men ครับถามสองข้อครับอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งคุณใสคาถาอาคมมีจริงไหมครับแล้วก็ข้อที่มีจริง 2, 2> รแต่มัน่มีจริงแต่มันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราความหลงของเราไปทำให้เราไปเชื่อเท่านั้นเอง แต่ก็มีคนทําคุณสายตามไรกั น, นแต่มันก็เป็นปนการกระทำตามความเชื่อมงกายเท่านั้นเองในที่คนของมันนี้ไม่มีต่อจิตใจของเราแต่อย่างได้จิตใจเราไปลองเชื่อเท่านั้นเองครับผมข้อที่สองบอกว่าการตั้งสารประภูมิเจ้าที่ในบริเวณที่ดินของเราจําเป็นหรือไม่ถ้าจําเป็นตั้งอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องถ้าไม่จําเป็นเราควรจะรื้อถอนออกอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายและบาป ก, กรรมครับ อ๋อก็อลื้อไปเลยเพื่ออากลือก็อลื้อไปสารกระพู่มมันไม่มีเจ้าของไม่มีไม่มีไม่มีมมดงวงวิญญาณอยู่ดงวงวิญญาณมันไม่ได้อยู่ในสารกระพู่มอันนี้เป็นความเชื่อเท่านั้นเองเป็นความเชื่อแบบวงไายถ้าเราทําแล้วเราสบายใจทำอย่างไรก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องการจะลบหลู่เราก็จุดธูปสามดอกแล้วก็ขอขอเข้ามาเจ้าที่ไปเจ้า ว่าขอขอต้องย้ายหรือว่าขอขอขอทาลายเพราะต้องทำอะไรอย่างอื่นไปแต่ถ้าเราเชื่อบางทีเราก็จะไม่กล้าทาถ้าเราเชื่อว่ามีเจ้าที่จะถทางเราก็จะทำศาลประปูให้สวยงามแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ถอดถอนออกไปได้อยู่ที่ความเชื่อเท่านั้นเองความจริงไม่มีจากคุณวันร้านไลค์ครับ การเรียนพระอาจารย์ลาพังการบําเพ็ญสะสมทานบารมีอย่างเดียวสามารถทําให้เจ้าตัวเข้าถึงพระนิพพานได้ไหมครับขอบพระคุณพอาจารย์ครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเพลงขั้นหนึ่งของการเดินประสู่พระนิพพานเป็นขั้นแรกก่อนที่จะไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นศีลขั้นที่สามคือสมาธิและขั้นที่สคือปัญญาถึงจะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ คุณชาพีครับกราบรมมศัการพระอาจารย์เจ้าค่ะจะบอกแม่อย่างไรให้ไม่งมงายทางไสยศาสตร์แม่จะไปรดน้ำมนต์คิดว่าตัวเองโดนของในอดีตกคุณแม่จะไปในทางที่ผ<ค>ิดก็ต้องคุณแม่ถามเ้าก่อนนทาไมถามวันจบก็บอกไม่ได้คือถ้าไม่ถามก็จะไปบอกก็ได้ยงไงบอกแล้วเดี๋ยววัโนโดนก็ด่าเลยไปยุ่งไปยุ่กับชีวิตเขาเลย แต่คุณจิตเป็นดั่งลมครับกราบถามพระอาจารย์จิตพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นจิตท่านไม่หมุนเวียนอีกไม่หันต่อไปอีกจึงได้นามว่าอาหารหันต์แปลว่าไม่หันไม่หันไปรู้สุขรู้ทุกขะสงขาณจักขาดไปแล้วด้วยอาหารหัตธรรมผมเข้าใจถูกต้องโดยธรรมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคำว่าอาหารหันต์คือคือผู้ผู้สิ่งกิเลสผู้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ไม่ได้หันไปหันมาอย่างที่ว่ากันอันนี้แปลแบบชาวบ้านตามหลักคำภาษาบาลีอรหันคือผู้สิ้นกิเลสผู้ผู้ที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปคือพระอรหรันต์ครับอาจาุณ์เอสเอสครับการละกายสังขารนี้จะต้องใช้มหาสติในการละไม่ปล่อยไหลไปตามสลายตนะใช่หรือไม่ครับไม่ต้องใช้สติและปัญญา แต่อย่างเดียวไม่สามารถละสังขารได้อย่างถาวรลาได้เป็นชั่วครั้งชั่วกราวด้วยการเข้าสมาธิแต่การจะละสังขารแบบตลอดเวลาได้นี้ต้องใช้ปัญญาคือเห็นพิจารณาว่าสังขารนี้ไม่เที่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ปล่อยให้มันแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมันจากคุณฟินแลนด์ครับโดยทางธรรมแล้วเหตุใดจึงเกิดโควิดคะ ทรรมธรรมนี้ก็คือโลงนี้เป็นเป็นโลของโลกภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองเป็นที่เกิดของโลกภัยไข้เจ็บต่างๆถ้ามีร่างกายมันก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีร่างกายมันก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็จบจากคุณจิรัตครับกราบธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเมื่อปิดเปลือกตาแล้วเราสามารถหลับตาในและลืมตาในอย่างไหนถูกต้องเจ้าค่ะ แวลานะเรานั่งสมาธิเราก็ปิดตาหน้าแล้วเราก็เปิดตาในด้วยการท่องพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบตาในก็จะเปิดขึ้นมาทำให้เราเห็นตัวจิตจากคุณฟินแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับธรรมะข้อไหนจะชนะโควิดได้คะก็ข้อที่ว่าเกิดมาแล้วต้องต้องเจ็บค่ยได้ในป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้จะทำให้เราชนะโควิดเราจะไม่กลัวมัน พยามเจ็บพยอมตายคำถามจากคุณอุสรินภานะครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าคนในครอบครัวชอบเล่นการพ น, นันแต่เป็นการเล่นที่ไม่ได้ใช้เงินมากเขา ว, ว่าเล่นแก้เหงากับเพื่อนจะถือเป็นบาปไหมคะก็ไม่บาปแต่ก็เสียเวลาควรอยาเวลาไปทำอะไรที่มีคุณประโยชน์แต่เราคิดว่าเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนหยอนใจก็เล่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่อง แต่ถ้าเล่นแบบเป็นอาชีพนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นนาวายามุกไม่บาปการเล่นการพนันนี่ไม่บาทแต่ถ้าเล่นแบบเป็นอาชีพนี่มันจะทําให้เราวันดีเกินดีหมดเนื้อหมดตัวไนดะ้แล้วเราก็จะทําให้เราต้องไปขโมยเงินขโมยทอง ม, มาเล่นต่อเนื่องมาใช้นี่ที่เกิดจากการเล่นการพ น, นันมันจะพาเราไปสู่การกระทําบาปต่อไปแต่ถ้าเราเล่นเพื่อนักเล่นน้อยเพื่อเป็นการผ่อนคลาย เปนหมือี่ออกกำลังกายอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นอันายอย่างอย่างใดเป็นกีฬากีฬาบัตรเป็นการออกกำลังทางนิโยคุณแพทแพทครับอาจารย์ปกติจะไม่ตบยุงหรือฆ่ามดโดยเจตนาแต่จะเผลอเหยียบสัตว์เช่นกิ้งกือตัวเล็กๆหอยทากตัวเล็กโดยบังเอิญขณะเหยียบใจสถานและรู้สึกเสียใจจึงขออโหสิกรรมกราบขอคําแนะนําค่ะ ก็พยายามฝึกสติให้มากาเวลาเดินไปไหนมาไหนให้รู้ทุกก้าวย่างก้าวเราลองเราลองจะก้าวสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าเราจะเหยียบอะไรหรือไม่เหยียบอะไรแล้วเราก็จะติีเรื่องเรื่องของการไปทําให้ผู้อื่นต้องเสียหายเถึงนอนได้ถึงนอนจะไม่มีเจิตนาก็ได้จากคุณวร า, าครับกราบบรรพสการพระคุณเจ้าค่ะการมีพระพุทธ ร, รูปรูปพระที่เคารพบูชาต้องถวายน้ําหรือดอกไม้ทุกวันไหมคะไม่จำอะเพียงแต่กราบก็พอ กล่าวว่าเมื่อถึงคําสอนของท่านท่านสอนให้เราทําดีระบาชำระใจให้สะอาดโดยสุดและพยายามปฏิบัติตามให้ได้เท่านั้นก็พอเรียกว่าปฏิบัติบูชาไม่ต้องมามิสบูชาด้วยสิ่งของต่างๆจากคุณชิวซองลีครับกลาดมรสการถามพระอาจารย์ผมเอาจิตไปดูความรู้สึกเฉยๆที่กลางอกและดูความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆและผมทําแบบนี้ถูกไหมหรือควรต้องทําอย่างอะไรต่อดีครับ ถ้าจิตเราเฉยก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าไม่เฉยเราก็ต้องหยุดหยุดมันให้ได้ทําให้มันเฉยให้ได้ถ้าดูที่ตามบอกแล้วมันเฉยได้ก็ใช้ได้เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อทําให้ใจเราเฉยเป็นอุเบกขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคำถามจากคุณปาริชาติครับหลานมัสการเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะทําอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์เพราะความรักเจ้าค่ะก็อย่าไปรักน่ะสิถ้ า, ารักก็ต้องทุกข์ ถ้าไม่รักก็ยังไม่ทุกสัเกตคนที่เราไม่รักเนี่เวลาเขาเป็นอะไรเราไม่ทุกข์กับเขาแต่พอเราไปรักใครเขาพอเขาเป็นอะไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนั้นสาเหตุของความทุกข์ก็คือความรักเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปรักทำใจเฉยเฉยเหมือนแต่คนที่เราไม่รู้จักนี่เราทำใจเฉยเฉยไม่รักไม่ชังเขาเขาจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแต่พอเราไปรักไปชังนี้เราจะทุกข์กับเขาทันที เวลารักเขาเป็นอะไรแล้วก็ทุกเวลาชังแล้วเขาได้ดีแล้วก็ทุกอีกทุกกนคนละแบบคุณมิกกี้สันครับรรกร่าวธรรมัตการค่ะการนั่งสมาธิหรือภาวนามีที่สิ้นสุดไหมคะมีว่าดีไหมเส้นจิเล็อะไรก็สิ้นสุดมานั้นความโลภความกรธความหลงหมดไปจากใจก็การปฏิบัติก็สิ้นสุดหรอกไม่ต้องทําอะไรต่อ จะคุณพรทิพย์ครับจับแมวจรทําหมันจะเป็นบาปกรรมหนักไหมคะไม่บาปหรอกไม่บาปจากพระเดล l y คร a ซิ d ร u m นะครับถามพระอาจารย์ครับผมบวชอยู่แต่ยังรู้สึกเป็นห่วงโยมพ่อโยมแม่มากเลยครับตัดอารมณ์นี้ไม่ได้เลยครับทั้งที่เขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรททก็ท้างําบวชที่พระเจ้าสอนให้ทาอยู่เรืเอยว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพลดพาจากกนเป็นธรรมดา รวมพลจากความพลาดพลาดจากการไปไม่ได้ท่องไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกสมาธิทําใจให้สงบเมื่อใจเราสงบแล้วพอเราพิจอความพลาดพลาดจากการเราก็จะยอมรับและใจเราก็จะไม่ทุก ก, ก, กับการพัดพลาดจากการขออีกสองคําถามนะครับอาจารย์ถามเยอะมากเลยครับถามสบายๆไม่เป็นไรจากคุณ เพียมเจริญนะครับกล่กาวถึงพิสการพระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอครับในภาวะที่การเงินฝืดเคืองกับผมคิดเรื่องการหาเงินมากขึ้นส่งผลให้จิตใจไม่สงบเลยครับควรต้องปรับปรุงตัวอย่างไรดีครับลดค่าใช้จ่ายเนาะคุณเมื่อได้ลดค่าใช้จ่ายก็ต้องลดตามนั่นมันก็จะอยู่ได้อยู่แบมากน้อยสันโดษที่พระเจ้าทรงสอนให้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นและอย่าไปต้องใช้ราคาแพงๆของแพงๆ อาหารมือละห้าสิบก็อาหารมื้อละห้าร้อยมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเรามาปรับค่าใช้ใจ่ายเราให้ลดลงสู่ขั้นต่ำที่สุดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องดิ้นรนไปหาหาเงินมามาเมื่อจุดเจอชีวิตของเราเราต้องรู้จักลดลดค่าใช้ใจ่ายของหราอันไหนที่ไม่จําเป็นตนัดมันไปเอาสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ให้เอาแบบที่มันถูกที่สุด แต่ก็ทําหน้าที่ของมันได้คือดูแลร่างกายของเราได้ก็พอจากคุณซาร่าครับที่ทํางานคนชอบเอาลูกแมวยังไม่ลืมตา ม, มาปล่อยบ่อยมากค่ะต้องเอามาเลี้ยงและหาบ้านอยู่บ่อยๆเพื่อร่วม ง, งานบอกว่าเพราะเราจิตใจอ่อนแอจึงทําให้เจอแต่เรื่องแบบนี้เป็นความจริงหรือไม่คะเพราะเรามีความเมตตามากกว่ า, าสงสารเขาเมื่อเห็นพูนสงสารเดือด้อนแล้วก็อยากจะช่วยเขา ก็คิดว่ามันเป็นบุญของเราก็แล้วกันอย่าไปที่ว่าเป็นาบาเป็นการทดสอบการสร้างบุญบารมีของเราเป็นข้อสอบของเราดูพระเวชสันดอนขมคอร์อะไรท่านก็ยกให้หมดเลยถ้าเราอยากจะไปสู่ที่สูงเราต้องรู้จกรรักเสียสละรู้จกักมีความมีความเมตตากรุณาต่อสัรพสัตว์ทั้งปวง คุณซีวครับการน้ัสการค่ะพระอาจารย์มีเพื่อนยืมตังไปออกดอกแล้วเขาไม่ยอมคืนต้นให้โยมอยากถามว่าอย่างนี้เพื่อนจะเป็นบาปและเป็นเวรกรรมกับโยมไหมคะ เ, เขาเป็นบาปแน่นอนเขารักทรัพของเราแต่เขาไม่มาเป็นเวรกรรมกับเราตอนต่าหาจะไปเป็นเวรกรรมกับเขาถ้าเราไปโกรธเขาแล้วไปไปทวงคืนด้วยการแจ้งความหรืออะไรก็ตาม ทาไม่เกิดความเสียหายเดือดรอนกับเขาเขาก็จะมาจองเวรยอมกรรกับเราได้แต่ถ้าเราไม่ไปไปไปไปทําร้ายเขาไปทวงเงินเขาไปฟ้องร้องให้ก็ติดทุกติดตารางนี้ก็จะไม่มีเวรกับคุณณประภาบอกว่ามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ขายบาปไหมคะถ้าเลี้ยงแบบสัตว์เอาไปเลี้ยงนี่ไม่บาปถ้าเอาไปฆ่านี่บาป คือไม่บาปอะแต่เป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นเขาทําบาปไปทีนึงเป็นบาชีพที่ไม่สมควรที่อยกระทําอาชีพที่ไปทําให้ผู้อื่นเขาตายไม่ควรอยากจะทำถึงแม้ไม่ได้ตายด้วยการกระทําของเราเองก็ตาม ส, สุดท้ายนะครับพระอาจารย์ครับบคุคคลบรรลุอรหรันถ้าไม่อุปสมบทในวันนั้นจะต้องนิพพานในวันนั้นใช่หรือไม่ครับคําว่านิพพานนี้หมายถึงตายใช่ไหมไม่ไม่ตายหรอกคําว่านิพพานนี้คือ จิตสิ้นกิเลสจิตได้บรรลุถึงธรรมอันสูงสุดคือความสุขอันสูงสุดคือ น, นิพพานันปรารงสุ ข, ขับแต่ร่างกายนี้จะตายเมื่อไหร่นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอาจจะตายก็ได้อาจจะไม่ตายก็ได้ไม่เกี่ยวกันครับแต่กิเลส ต, ตายวันนั้นเลยหมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์กิเลส ต, ตายเท่านั้นเองเนวันตายของกิเลสครับอย่างวัฏสมบนั่นไหมวุปสมบนั้นไม่สําคัญ พระอาจารย์ครับขอบขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมขอโอกาสบอกยอดนะครับวันนี้คนฟังธรรมเยอะมากเลยครับพระอาจารย์ครับใน facebook ทั้งหมดหกร้อยห้าสบสองคนในยูทูบเก้าร้อยสิบสี่คนนะครับในข่าวร้อยสิบสี่คนวันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบคนพร้อมกันเลยครับอาจารย์ครับยินดีด้วยกับความสำใจยินดีนทำชนะการยินดีทั้งปงวงรถรถแห่งธรรมชนะรถทั่งปวงมั่นเอง